่อนค่ะที่ใช้ขึ้นมาเสวนาในหัวข้อ management f e l d music management นะคะซึ่งจะมีอาจารย์ปีเตอร์กันนะคะประธานที่ปรึกษาหลักสูตรนิเทศาสมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิตจะขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อนี้ค่ะเรียนเชิญอาจารปีเตอร์กันค่ะ ค่ะ <cin stereotype> และขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรที่จะให้เกดให้เกดขึ้นร่วมเสวนาด้วยนะคะคุณชีวินโกศิพงนะคะจิลตินงานแต่งเพลงโปรดิวเซอร์บริษัทเลเวลที่สองที่เราเรียนเชิญคุณรณพงคำนวณทิพกรรมการขอโทษค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัท Universal Music ประเทศไทยค่ะ ขอเชิญคุณนกประดลเซนสันสิรัสสันค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไนมาร์เก็ตติ้งค่ะคุณกรีทมัสค่ะกรรมการบริษัทจัดจำหน่ายนะคุณคนละอีกท่านกรรมการบริษารากรรมการผู้อำนวการสายงานธุรกิจเพอค่ะีกท่านนะคะคุณธนิเชิญพีพัฒน์ค่ะกรรมการบริหารบริษัท m p e ค่ะเป็นการดนตรีครับที่ไว้ไฟแรงได้ดีนะคะและอีกท่านที่ให้เกียรติเรามากๆเลยนะคะไม่รูในวันนี้ท่านอธิบดีปัตชิมาชนะสันติอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณอนันต์รือประดิษฐ์ค่ะบกข่าวนิวส์ชั้นจุดประกายนักข่าวดี อนุญาตมอบหน้าที่นี้ต่อให้กับอาจารย์บีตเตอร์การได้ค่ะขอบคุณมากครับน้ำมันตาต้องขอขอบคุณครับว่าทำดีมา ก, กาทั้งหลายนะท่ด้วยใช่แต่พยายา ม, มเพ่มมีคนถามบอกว่างานนี่เกิดขึปป้นอะไรน ะ, นะครับก็มาจากคนสองคนในที่ช่วคิดกันน่ะก็คือขอตกลให้คุนนันเรียนไปด้วยครับ หัวข้อของมันช่างจะน่ากลัวนะครับภาษาการดนตรีจงเจ้งหรือนะครับวันก่อนมีคนถามต้องถามว่าไอ้พวกเราคิดว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าพวกเราไม่เคยคิดว่ามันจะเจ๊งเลยนะครับหรือแม้แม้ะทั่งนายโรสเบิร์กนบอกว่ามิวสิกนะดนตรีนบดามิวสิกนัทซึ่งไม่ได้แบบมิวสิกดนตรีนบดาผมไม่เชื่อว่าภาษาการดนตรีมันจะแย่หรอกครับเห็นแต่ว่าวันนี้ที่ผมเชื่ทัาหลายวันนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับ เพราะว่าในสมัยที่ผมเป็นผู้บริหารของโซนีมิสิกเมืประมาณ20กว่าปีที่30ปีแล้วนะออตอนนั้นนะประเทศเกาหลีก็ต้องเดินมาหาเราเลยนะถามบอกว่า ท, ทําเพลงดิสคยังไงนนะเราไปไประชุมของโซนี่ทุกทีแล้วมีคนเกาหลีเข้ามาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ถามว่าทําทยัางไงทํายังไงทําไงเราก็พยายามจะช่วยเขานะแต่วันนี้กลับการว่าผมต้องพานักศึกษาไปดูงานที่เกาหลีนะครับแล้วบอกว่าคุณทำ มันมีอย่างยกตัวอย่างนะครับผมไปเยี่ยมหาวิายยทยาลัยหนึ่งนะชื่อ Korean National University of Arts นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ทํางานเรื่องการสร้างสรรค์โดยเฉพาะเลยนะครับถาว่าผมก็ถามว่าคุณเอาเงินเงินเรียนไหนบอกรัฐบาลให้เลยรัฐบาลขอรัฐบาลก็บอกว่าคุณอยากจะทําอะไรบอกอยากจะทำมหาวิทยาลัยมหาวิายทยาลัยชื่อ Korean National University of Arts ใช้งบประมาณในการสร้างมหาวิทยาลัยถึง21ล้านเหรียญ แล้วมีทุกอย่างนะฮะมีแม้กระทั่งตัวจําลอง Happy Rose Studio นฮะอยู่ในมหาวิทยาลัย เ, เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นจะเป็นชั้นยอดไมเลืนเลยนะแม้กระทั่งนักศึกษาที่เข้าไปเรียนนะฮะในมหาวิทยาลัยนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนได้ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นนักเตเวลีมือขวาคุณจะต้องมีกมเื่อดขนาดไหนถ้าคุณจะเป็นแจ๊สแดนเซอร์นะฮะขาซ้ายขา ข, าขวาก็ต้องเป็นแบบไหน เพราะฉะนั้นเขาดำเนินการพัฒนาตั้งแต่ฟิสิกส์เขานะฮะคือกายภาพของคนทุกคนไปถึงคอมพ a m e n t a l หรือความคิดเป็นความสร้างสารค์กัด้วยและเป็นหลายเส้นทางที่ต้องตอบเลยว่าลำ้ำนะครับเราสิครับหลังจาก20ปีเราต้องขอความรู้เขาทีนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องจะเป็นต้องขอความรู้แล้วครับเพราะว่าความรู้ทั้งหมดผมเชื่อว่าอยู่ในที่ของปาเจาวันนี้แล้วครับ นะท่านทั้งหลายที่เชิญมาวันนี้นะฮะท่านมีความรู้เรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับและผมจะขออนุญาตท่านทั้งหลา ย, ลยนะฮะช่วยแชร์เปนนิดนึนะครับเพราะว่าพวกเรานะอยากจะรออยากจะทําให้ศาสตร์นี้โตจริงๆคําว่าเจงคงไม่เ จ, ง, เจงหรอกแต่ทําว่าวันนี้โรคอิจฉาตรรแดนะอิจฉาเกาหลีครับนะวันนี้นะครับถ้าบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาหอยู่ที่อินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องการสื่อสารครับ ข้าบ้านเข้าไป 3G กับนหาดแล้วแต่ช่วยคิดว่านะฮะประเทศไทยวันนี้ควรจะมี 3G ได้แล้วนะฮะแต่ที่กำหนดว่าหน้ากวัวนะครั บ, บ, นนนรบในปี2013นะครับตาําแหน่งของโลกนะฮนะซิมนะฮะโบอลซินะฮะจะมีอุณภาพในการส่งข้อมูลนะันถึง50 m b กะไต่อสิบนะฮะปีหน้ารัฐบาลเกาหลี ป, ประกาศแล้วนะครับ Broadband ถึง1กิก1กิกแปลว่า 1,000 เมกะไบต์เพอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันรองรับการสร้างงานได้เยอะแยะเลยและการส่งผ่านเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ไอเดียของเราเนี่ยที่จะใช้โครงปาสตั๊เจอร์อย่างนี้ขึ้นมาให้ได้ประโยชน์นั้นมีอย่างไรบ้างแล้วก็ลองมาถามทงางองปลาผมนะครับนะคนแรกนะครับท่านอยู่ข้างซ้ายผมตอนผมจำได้ว่าท่านกลับกบอเมริกาก็มาร่วมกันช่วยกันทาอะไรต่างๆสศุกษนานะครับแล้วท่านมีไอเดียของท่านตลอด สิ่งที่ผมอยากได้ท่านมาวันนี้ถ้าท่านช่วยเล่าให้ผมเราฟังเลยที่จริงนะเพราะว่าท่านบอยโกเซียพงษนะท่านบอยเราเรียกว่าท่านบอยเพราะว่าต้องเรียกท่านจริงๆนะครเพราะว่าผมหาคนน้อยคนมากในโลกนะครับที่จะบอกได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤติทีไยเขาใช้วิกฤตได้เป็นโอกาสจะต้อทีเลยนะครับมันจะล่วงมันจะเล่นมันจะมีผีไม่ผีอะไรนะเขาหาทางออกเขาเรื่เสมอนะฮะ ไอ้ตรงนี้นะช่วยเผยความรับที่พวเรากวกับพี่รบ่าที่อยอำไครับจำเขาเห็นทั้น่ะจริงผมก็เรียนจเตร์นครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นลูกน้องี่เติร์นได้เปฝึกงานกับพเตอร์ดีเลยให้โอกัสผมทางานนู้นงานนี้นึงเยอะแยะเตร์ จริงๆพี่ก็น่าจะตอบเองได้เพราะว่าพี่มันสอนผมเราร้องเพลงคู่กันเลยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นวิวัฒนาการครับทุกอย่างเกิดขึ้นก็มีสองด้านเสมอดังนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เลือกด้านที่มันที่มันเราชอบอะแล้วก็ทาด้านนั้นไงครับ ถ้าคุณบอยทาไมชอบเปลี่ยนไปเรื่ อ, ๆอยๆเหมือนกันนะก็มันเหมือนเมื่ก่อนผมนี้ผมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีผมเราก็ต้องอยู่ยังไงอย่างไม่มีผมไม่ได้ไแต่ก็รอกปันเรื่อยๆนะคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง ท, ที่ที่ธรรมชาตินะครับจะต้องมี evolution ดังนั้นเราก็ถ้าเราไม่ e ี o l v ตามมันก็ก็นิ่งอยู่ตรงนั้นค okay. ําตอบ น, นี้ชัดเจนมาก evolution การพัฒนาเราต้องพัฒนาเป็สิ่งที่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับครับผมแต่ข้อสําคัญผมอยากรู้นะฮะจะหมูกคุณบอยทำไมไหวนะคุณบอยจะโสิ่งความเปลี่ยนแปลงได้ก่อนจะบ้า น, นเสมอและหาทางปรับเรื่องความเปลี่ยนแปลงได้ก่อนชาบ้านนะคุณบอยจะเป็นยังไงครับตั้งแต่ผมถามว่าตั้าแเกย์เบกอรี่นะฮะคนนี้คนพอพออคดด ก, ก็ราะเพรลดอนเขคนดีใช่ไหมครับฮนะ ผมเล่งเกียรตุศ์เนี่ยไม่ใช่ผมครับใช่ไหมครับมันมปล้อนก็คือสุดที่เลยครับผมในกาศใช่ครับช่วงมาช่วงที่เป็นแบคทีเรียเป็นไงบ้ครับก็ดีครับก็เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพวกเราทํางานแบบสันสัตว์ยานนะครับเหมือนผมได้อ่านอาร์ติเคิลที่เขาบอกว่าเวลาอุทกภัยมาพวกสัตว์ตัวเแรกอ่ะมันจะมันจะรู้ก่อนแล้วมันจะวิ่ง มันจะวิ่งหนีก่อนเอาไปยกก่อนนะครับเราก็ผมคิดว่าเราก็มีแต่ตัวอย่างนะแล้วก็พอเรารู้ว่ามันจะเปลี่ยนเราก็เราก็เปลี่ยนซะก่อนครับถ้าเรารู้ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะก่อนสิข้าหมก็เตรียมตัวให้เป็ทนทังทันนะฮะจาวทีเดียวเลย <c oughs> อ่าแล้วช่วงมาอยู่พอเปลี่ยนซะก่อนเนี่ยแล้วมีผลยังไงกับเบเกอรี่แล้วทำไมจากเบเกอรี่ถึงมาไปอยู่กับบีเอ็มแล้วจากบีเอ็มทำไมถึง ลเลือกต อ, อนตีอ้โซนี่ใช่ครับใช่เออไม่ใช่ครับโซนี่ดิสบิวเราเฉยๆครับออตอนโจทย์ตอนเบเกี่เนี่ยช่วงแรกๆเรา ก, ก็ทด้วยสัญชาตญาณนะพอช่วงพอกาไรเยอะเราก็เริ่มไม่ทาด้วยสัญชาตญาณแล้ก็ทำด้วยเริ่มทความโลภนะด้วว่าดูโล้าขยาอย่างนี้แล้วกันเพื่อจะได้ตอบโจทย์อันนี้อันนั้ น, นเ อ, อาเอาทด้วยความโลภปมันก็เริ่ม เจงะครับเริ่มเจงแล้วก็เลยต้องมีคนอื่นมาช่วยถือหุ้นเพืนะะ่อให้เรารอดได้พอพอมีคนถือหุ้นปุ๊บเราก็ดูตัวแล้วอีกสักพักก็ต้องเกลืนนน่นแะน่ๆนะฮะเราก็เตรียมตัวเปิดอันใหม่เลยทั้นประเทศนะะให้เกลื่นไปเลยแล้วก็ยิ น, ยนดียินดีที่จะหมุนไม่ตามรอบรอบเก็กเจะต้องเืนเราให้เราเกลื่อนไปเราก็ไปเปิดใหม่ของเราแล้วเราก็ทําเ v ิ r a g e ขึ้นมาแล้วไปทําเ v ิ r a g e ขึ้นมาผมก็คิดว่า เราไม่ได้ถนัดทั้งเรื่องําทำการจัดจำหน่ายการทำการตลาดอะไรอย่างนี้เราก็หาคนที่เขาทำมาช่วยทำให้เราพเพราะอย่างนี้เเขาก็เป็น perfect matching นะครับ ท, ที่เขาทาาาี่เขาทำการตลาดอยู่แล้วแล้วก็ทําทำการตลาดแล้วทำ distribution น, นะครับในขนาดเดียวกันเราก็จะปลูกกันแบบเหมือนเหมือนยากแบบว่าไม่ให้มันมี space หน่อย เพราะว่าถ้าเราผูกแน่นไปก็จะอึดอัดก็เราก็ไม่ได้ปูกกันแบบว่าต้องให้ต้องให้ตายอะไรข้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมคิดผมก็เชื่อว่าในการทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมี evolution หมดนะไม่จะทําความสัมพันธ์ของของบริษัทต่อบริษัทดังนั้นเราถ้าเราเหลือเนื้อที่ไว้ให้ช่องว่างให้เราให้เราสามารถที่จะเติบโตในแต่ที่เราไม่อึดอัดได้ซึ่งกันและกันได้ก็จะดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ทํากันมาก็สบายดีครับ เดี๋ยวจนท่านต่อไปผมจะพูดเรื่อง p u บพิชินะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะจนจนผมเป็านานต่อไปนะเอ่อพี่บอยพี่บอยเนี่ยนะฮะเรื่องอะไรเดิมเ่ยเรื่องไอเดียรอยู่ในไทีเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวเดาไลวไปนะแต่พี่บอยของเรานะนอกเหนือจากมีครเทมต่างๆแล้วพี่บอยยังถือบริษัทพิชชที่เป็นของพี่บอยเองใช่ไหมใช่ครับชื่อฟลายอสโเมตใช่ครับทีนี้ฟลอสตเแนวคิดทาไมถึงต้องมีบริษัทิตัวเอง สมัยก่อนนี่ครับปดีนี่มันของคพระจ้าจริงนะ ค, คือผมผมดู VH1 ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ิาแล้วผมก็ดูประวัติของแซมคุแซมคุเนี่ยเป็นคนแรกอาติสคนแรกเลยที่แคร์เรื่องพอร์เชนะแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไเขต้องแคร์ด้วยแล้วปฏผมมีคลาสที่ต้องเรียนเรืเร่องพอร์เชเยอะนะผมก็ไปเรียนเรียนเรียนไปเรียนมาอ๋อสุดท้ายแล้วมันคือมันคือคอาเซ็ของ ของศปินของผู้แต่งเงดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถือเวไว้ก็มีโอกาสที่จ ะ, จะไปที่ไหนที่ไหนได้นะฮะว่าั น, นเป็น a s ร็จของเรานะครับก็เลยตั้งใจว่าไม่ว่าทำอะไรครับาจะชิงตหน ง, ถงมถ้าเป็นถ้าเป็นผมแต่งนะถ้าในขนาดเดียวกันถ้าศิลปินใครแตกงทําแบบเดียวกันนัเดนตรีรใครแต่งก็เป็นของคุณไปออกเลยจะไดจะจะจะได้จ ะ, จ, ะจะไ ด, ะไ ด, ะได้เราจะได้ถือของเราเองได้ แล้วก็สุดท้ายเราจะไปเราจะไป assign ให้ใครดูแลใครบบลื้อเพราะสุดท้ายเราคงดูแลเองหมดเรื่องการจัดเก็บไม่ได้เราก็มีบริษัทจัดเก็บดูแ ล, แลก็ให้เให้เขาคนที่เก่งจัดเก็บเขาไปดูครับผมโอเคจ่ okay. ลเลยครับนั้นผมขอเด่นนะต่อไป ห, หาคนที่สองนะคุณชนิดนะเชิญพิพัฒนะครับคุณชนิดเชิญพิพัฒเนี่ยอยู่บริษัทอินซิตีท่านเป็นกรรมการนะทเน่เป็นบริษัทการเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะ ทีนี้หลายลายท่านอาจจะอาจจะมองไม่เห็นว่าทำพิชิญคืออะไรมันไม่ฉี่หนังสืออื่นมันเป็นเพลงฉันไ่ตีพิมพอะไรสนะตกลงทำไมทางด้านเพลงเขาถงเรียกว่าลิขิตศิลปิดนตรีนะฮะเป็ น, นเนื่องสิ่งวรรณกรรมแบบงเลใช่ไหมครับแต่ตีว่าเป็นพัฒนาชิญคนไทยรู้เรื่องพัฒนาชิญแค่ไหนแล้วก็นะฮะ โอกาสที่จะสร้างสรรค์า ง, งานหรือว่าโครงสร้างของคกรที่เกี่ยวกับองการที่เกี่ยวกับความพิชิตให้โตกว่นี้เป็นไปได้ไหมครับจริงๆแล้วส่วนที่ผมดูเนี่ย MCT ก็คือบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีแห่งประเทศไทยมันมีสองส่วนคือส่วนของนักแต่งเพลงและก็ Publisher ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่อย่างที่คุณบอยบอกมีเป็น รวบรวมแอดเซตจึงเป็นพวกเพลงนะฮะแเป็นหน่วยงานที่ดูแลผลประโนแต่ MCT นี่กว้างกว่านั้นครับเพราะเราดูทั้งนักแต่งละทั้งบีาิเชอร์ที่มันเป็นสมาชิกเรานะฮะส่วนหลักจริงๆของ MCT เนี่ยเรามาดูแลนักแต่งเพลงมากกว่าเพราะตั้งแต่โบราณมาแล้วเนี่ย นักแต่งเพลงถูกมองเป็นพวกศิลปินไส้แห้งซึ่งมันก็เป็นความจริงทุกวันนี้ก็ไส้แห้งนะส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ประจำนะครับว่าดารานักร้องหรือนักดนตรีเนี่ยจบไม่สวยเวลาแก่ใกล้ใกล้ถึงวาระสุดท้ายยังขออนุญาตเอ่ยชื่อเนย่ยอรักสลับใจดังมากแบบ ตอนใกล้ตายนี่ก็แย่เพื่อนผมอิทีิพลังคูนะี่ก็เหมือนกันนะก็ได้เพื่อนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยก็มีน้ำใจามากก็ช่วยเหลือเยอะนะฮะผมก็เกณฑ์พวกที่จะช่วยกันได้ก็มาช่วยอิทีซึ่งตอนตังเงินเขาก็ได้เยอะนะฮะสุดท้ายเนี่ยเรื่องของนักแต่งเพลงนักดนตรีในที่แบบทำไมมันไส้แห้ง หนึ่งวรรคของอาชีพเขาสั้นรักแต่งเพลงให้ดังแค่ไหนมันมันมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างพิเศษพิเศษอย่างครูชาลีอินทอร์วิจิตนี่อาจจะยาวขึ้นแต่หมดยุคของลุกหุงท่านปรับตัวมาหากินกระแจได้สักพักหนึ่งแลเงียบหรือโชลธีทานทองทุืใครก็แล้วแต่ไม่มีช่วงยาวแบบสาสิปีเหมือนรับราชการหรือทำธุรกิจใช่ไหมฮะช่วงที่มันสร้นเนี่ยรับประกอบกับ ูเอาลัดเอาเปรียบ ม, มาตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังลำบากในขณะที่ผมขอพูดในมุมที่สภาพความเป็นจริงของหัวข้อใหญ่ในงานวันนี้น<อ>ผมไม่ควรพูดแล้วเนี่ยไม่มันมดแล้ต่อเลย <c oughs> มันนนแบ น, นี้คือ <c oughs> ผมเลยไอ้ที่จะพูดมันก็เลยหายไปไม่โรงอย่างนี คือภาวะอย่างที่ว่ากันในที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะไอ้โซเชียลเน็ตเเนี่ยบริษัทเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเขามีบุคลากรเขาเยอะแยะที่เขาจะระดมสมองมาแก้ไขสถานการณ์ได้แต่นันแต่งเพลงเนี่ยเขาเป็นงานอาร์ตงานศิลปะเขาไม่ค่อยจะละเอียดละอดกว้างไกลเหมือนนักธุรกิจ แล้วธุรกิจบางคนเขาไม่รู้อะไกเขาสามารถมีลูกน้องริจ้างมีกําลังที่จะจ้างคนเองมาแต่คนแต่งเพลงเนี่ยมันไม่มีขนาดนั้นแหละมันก็จะสุดท้ายเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยอย่างนั่งข้างอยู่ผมเนี่ยแต่มีเขาไปไนดะ้เขามีวิธีที่จะลดความปุ้ยป้ายขององค์กรเขาเาส่วนไหนมันไม่จําเป็นไม่ไม่ทันยุคเขาก็จะปรับ ธุรกิจไหนปรับไดปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เร็วมัววนก็จะไปได้แต่นักแต่งเพลงได้ค่าจ้างแต่งอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกประวัตสี่พันห้าพันบาทกับค่าต่อแทนรอยัลตี้แล้วสําหรับคนทีแแนะนะะนแ่แต่งแล้วไม่โดนเยอะนะฮะนักแต่งเพลงแต่งแล้วไม่โดนมีเยอะกว่าคุณบอยเนี่ยมีไม่กี่คนในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ย โดนเป็เพลงมันระหายต่อไปหลายปีอยู่ยังไงล่นะฮะ <c oughs> นักร้งยังดีกว่านักแต่งเพลงตรงที่ว่าถ้าเพลงโดนเขามีงานชโชว์นักแต่งเพลงก็โดนกูก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้มีรายได้เลยเพิ่มออจากบริษัทใจดีอันนี้ผมขอชมแอมมี่นะฮะระบบตอบแทนเขามีเป็นสัดส่วนชัดเจน แม้กระทั่งการจัดสิทธิเผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยเ ข, le, ข, า, ขาแจกจ่ายชัดเจนแล้วก็ไม่เอาเปรียบตรงนี้เนี่ยเขาดูแลก็ประมาณหนึ่ง ด, ดีดีที่สุดในประเทศไทยนะส่วนว่า MCT ที่จะดูแลให้พับอินเชอร์ช่วยมีส่วนทำให้ทาให้ก้าวหนา้าพัฒนาขึ้นไปได้อย่างไรนะผมว่า ช่วงนี้เนี่ยในฐานะที่เอ็มซีดูแลนักแต่งเพลงประทับประคองให้ดูรอดได้ก็เก่งนะฮะพุกเจ้าประทานนะครับประเด็นครับระบบของนักแต่งเพลงเนี่ยเกิดขึ้ น, นประเทศไทยแบบผิดระบบหรือเปล่าเกิดขึ้นด้วยระบบแบบการซื้อขายแทนที่จะเป็นสิทธิตรงนี้เป็นจุดประเด็นเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเอ็ซีทีจะปรับระบบนี้ให้ประเทศไทยได้ไหมครับ MCT เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการรวมตัวของนักแต่งเพลงซึ่งเอาเอ่ยชื่อเลยราชินสงเผาวิรัตอยู่ถาวร น, นะหมอวราว ร, าวราเวทที่ร่วมกันแล้วก็หมายที่ว่าไอ้ระเกียบอันเดียวมันหักง่ายแต่ถ้าเรารวมกันมันก็จะแข็งแรงนะฮะแล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่มากที่จะมาเก็บสิบ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะเรื่องใหม่มากเอมซทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2537เราไปเก็บร้านอาหารนะฮะมันมีมาฐาหเลยว่าจะเอาเงินหรือจะเอาลุกมึงมึงจะเอากิเไหมการดื่มดังตื่นผมต้องไปประกันตัวพนักงานก็มีนะถูกร้านค้าเนี่ยเขามี ม, มีมีมาเฟียมีจ่ายค่าคุณรองตำรวจดูแลเขา ซึ่งต่อมาตอนหลังเนี่ยบริษัทอย่างไอ้อย่างแฟมมี่ไอซึ่งมา่อก่ปฏิเสธสิทธิ์ที่ตรงนี้บอกเฮ้ยเอ้งเก็บละใครจะโฆษณาเพลค่า่ะไม่ได้ผมบริหารอยู่ไอเอสโปรพชันแต่ผมเกลือลูกน้องเป็นสมาชิก MCT ทั้งหมดเลยเฮียฮอกโกรผมมากแะทำให้บริษัทชิบหายแล้ว แต่นี่ผมพูดกับเขาเขารู้วิสัยผมตรงไปตรงม า, งมาการใดๆก็แล้วแต่ถ้าผมทําให้บริษัทชิบหามผมไม่ใช่อมผมจะลงกลุ่มเพื่อจะช่วยเหลือคนที่ลาบากแต่นี่นะฮะว่าเสียเลยนะเนี่ยเ <c oughs> สียเลยนะเนี่ยผมตั้งชื่องานนี่ว่าวงการคอนกรีตเจ๊งหรือลืมไม่เจ๊งหรอกะคนเดียวผมเสียบูเสียบคนนะ <c oughs> <c oughs> บริษับให้แจ้กันฮเาเพื่อนผมหน้าใสผ่องขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> <c oughs> แล้มีก็ไปได้เขาแต่งนัทแต่งเพลงมีแต่แย่ลงแย่ลงเพราะว่าเมื่อก่อนเขาทาทีเป็นอัลบั้มเป็น10งเพลงเดี๋ยวนี้ก็ทํา1เพลงสองเพลงแล้วเอาะไรกินละ่ะจับอลเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์งได้ค่าโปรดิวเซอร์เป็นชุดได้ค่าทางานเป็นชุดเดี๋นี้เพลง2เพลงก็เอาอะไรกินนะฮะ <Okay. S 1> ครับโอเคครับ ทีนี้เองดูนะผมขอถามอีกคนหนึ่งนะครับจากการไหนเป็นของเชียร์เลย่ะยังหาคำตอบทั้งๆไม่ได้แต่แต่ว่าผมว่านะคงไม่ตอบเลยเลยการระบบซึ่งขาดนะฮะจนกระทั่งเป็นระบบซึ่งติดและต้องพมต่างๆดรัฟเจอร์บางอย่างที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นได้แคงไหนะครับแต่ผมก็น่าจะเกิดขึ็นได้ทีนี้เองมาฟังท่านนะครับคุณนพดลเจสันเจเรสันนะครับนะครับท่านผมรู้จักท่านมาประมาณส5ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมไปช่วยสอโเลยโรับ นะครับแล้วก็แล้วก็คุณเจสันก็โผล่มาในภาพนะครับคุณเจสารสร้างกร่ษัทภารที่่านขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวช่วยให้ที่ทั้งหมดเลยในการทุนทำธุรกับทางการท้าการข า, า, ายที่ส่งเองน ะ, ะส่งให้ร้านค้าเองและเสร็จองพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ท่านเดินก้าวไปขั้นแล้วทีามขั้นสี่ขั้นจส่งไป น, 4, น, 5, น, 5, น ะ, ะตอนนี้ท่านสร้างถ้าเราบอกว่าโซ c ชียลคอมมนิ ถ้ามี Music Social c o m m i t ดียที่ผมคิดว่าคิดที่สุดในประเทศไทยนะที่ยอดที่สูงมากนะฮะชื่อว่า YouTube บเลสอยากถามคุณเจสร์ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเราช่วยพวกนักดนตรีและขอบริเวชได้หรือเปล่าโดย่าเน็ตเวิร์คือเดยผมขอท้าเป็นนิดนึงนะครับว่าทำไมทำไมเทคโนโลยีปัจจุบันมันเปลี่ยนวงการเยอะมากขนาดนี้ คือถ้าเราย้อนไป 20-30 ปีก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันไมไมีอยู่3ามาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับการเพลงมันจะมีสื่อระเิดมันจะมีค่ายเพลงแล้วมันก็จะมีคนสื่อเพลงมันมีอยู่3าส่วนถูกไหมครับแล้วคนที่จะซื้อเพลงต้องซื้อจากค่ายเพลงเท่านั้นในสมัยก่อนแล้ว ศิลปินที่จะออกแต่อัล บ, บัมได้ค่ายเพลงต้องเป็นคนเลือกเท่านั้นถูกไหมครับต้องสกรีนมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันเกิดระบบเอเจนต์ขึ้นมาในในอุตสาหกรสมัยก่อนนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้น อ, อย่างค่ายเพลงก็สามารถกำหนดราคาได้ว่ า, าฉันจะโปรโมทศิลปินคนนี้และฉันจะสายอาัล บ, บั้มนี้สิบห้าเหรียนยี่เหรียนร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทนะครับคนซื้อก็ไม่มีทาง เลือกต้องไปซื้อที่ค่ายอย่างเดียวนะครับคราวนี้พออินเทอร์เน็ตมันมันมันเติบโตขึ้นมาในในโลกเนี่ยต้นทุนของของคนฟังเนี่ยที่จะไปเลือกซื้อเพลงเนี่ยหรือบาริเออร์มันต่ำลงนะครับและในปัจจุบันเนี่ยมันต่ำลงจนเกือบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคอสของคนที่อยากฟังเพลงหรืออยากจะเลือกเพลงเนี่ยคอสคืออะไรน จ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตรายเดือนหาออกมาแล้วตกวันละ3าบาทนะครับล็อกอิน เ, เข้าไปเข้านเอเนต็ตอยากฟังแฟนก่าทิมเลยองโอ้ oh. เจอแล้วโหลดต้นทุนคท่่นั้นครับปัจจุบันนี่สำหรับคนฟังดังนั้น อ, อย่างที่อาจารย์ปีเตอร์ถามมาคือว่า เรื่องโซเชียลหรือว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันเปลี่ยนองการเพลงยังไงเนี่ยผมมองว่าเมืองไทยเนี่ยโดนโดนหลายดอกนะครับมันต่างกับต่างประเทศเยอะนะครับบางคนก็ยกตัวอย่างต่างประเทศมาให้ให้ฟังกันแต่ผมมองว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนและมีปัญหาเยอะมากนะอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยถ้าในอเมริกาในยุโรปในเกาหลีในญี่ปุ่น เ, เ, เนี่ย ฟิ s i c a l ตกจริงคือซ d ดีตกแต่ว่ามันมีอิฟาอื่นเข้ามารับแทนในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็คืออินเทอร์เน็ตเพเนเทรชันเนี่ยสูงมากไม่ต่ำกว่า 7-80% ของ Population นะครับเมืองไทยเท่าไหร่ครับยีอสอกสทชอ5ปีแล้วยังไม่เกิดนะฮะ uh, Speed ดบอดแบนด์ไปต่างจังหวัดเนี่ยน้อยมาก ประจุตัวอยู่แค่กรุงเทพและเมืองใหญ่ผู้เชี่ยวชาญก็มาบอกว่าสปีดอินเทอร์เน็ตไม่สามารถตอบอารมณ์ในความอยากได้เพลงเก็คือคื อ, คอผมกาลังจะบอกว่าปัญหาของวงการเพลงหรือว่าวงการคอนเทนต์เองหรืออะไรเองเนี่ยคือมันมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับที่ที่ผมเผมผมเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มจากธุรกิจเพลงผมเลยจะมุมมอง อ, อ, อีกแบบ คือพอผมเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยผมก็มองเห็นว่าทุกคนสภาพโครงสร้างมันบิดเบือนพอสภาพโครงสร้างมันบิดเบือนปุ๊บทุกคนก็ดิ้น <c oughs> ไปตามนการบิดเบือนนั้นนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยคือต้องแก้ที่โครงสร้างพื้นฐานให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเอ ง, องกฎหมายนี่ยกตัวอย่างคือการ enforce กฎหมายก็ไม่ได้เรื่องบอกได้เลยตรงๆนะครับหรือว่าเป็นประชุมคณะอนุมการร่างสัญญาแห่งชาติหรือว่าของกรมทรัพย์เองผมก็เห็นส่งใส้ศึกกันเข้ามาฟังเยอะแยะนะฮะในผู้ลงตรงนะครั บ, อ, นนนะรบ อ, อย่างอย่าง อย่างเรื่อง ก, กฎหมาย e-commerce ก็ไม่แข็งแรงคนก็ไม่กล้าใช้อินเทอร์เน็ตไอใช้เครดิตการ์ดบนอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่เทียบกับประเทศอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิ์นะครับเรื่องสิทธิ์ที่พูดกันเยอะตั้งแต่วันแรกก่อนที่ผมจะตั้งบริษัทจนถึงวันนี้ก็ยังคุยเรื่องเดิมเรื่องสิทธิ์นะ ค, ความรู้เรื่องสิทธิ์เองเนี่ยก็คือ จแลป็นหน้าใหม่ๆจะไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ์เลยรู้แต่ว่าฉันอยากทำเองแต่เราไ ม, ม, ม่ผ่านการศึกษาเลครับ อ, นนอันนั้นด้วยครับอันนั้นเป็ น, ปน Education ที่ต้องให้ให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ยูคิดขึ้นมาป๊บมันเป็นของยูนะทันทีถ้าถ้ายูกลัวคนอื่นบอกว่าเฮ้ยไม่จริงคุณส่งอ e ีเมลหาตัวเองเลยว่าเพลงนี้เป็นของฉันครี a t ขึ้นมาวั น, น อันก็จบแล้วนะถูกไหมครับเป็นทรัพย์สินของเราแต่คุณตัวคุณเองคุณยังไม่วาลูทรัพย์สินทางวัญญาของคุณเองแล้วคุณจะไปให้คนอื่นวาลูทรัพย์สินทางวัญญาของคุณเองได้ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการขอรัในสินหรือว่าการให้คุณค่าทางสินในวงการไม่ว่าผมยู่ไปคุยกับเอเจนซี่โฆษณาไปคุยกับสปอนเซอร์ไอ้ที่คุณคิดมาเนี่ย แค่ไม่มีค่าเขาถามมาเลยค่าเครงเสียงเท่าไหร่นี่เรื่องจริงครับผมขายขายเพลงให้หรือว่าขายโปรเจกต์ต่างๆให้กับศิลปินกับอาร์ิสต์เนี่ยเรื่องอคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าคุณค่าทางความคิดไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพลงอย่างเดียวนะคิดเรื่องค ре อทีฟอย่างอื่นเลยคุณดีไซน์โรดักมาเนี่ยค่ามันอยู่ก็แค่ปฏิกันหนึง่งแสดงว่า คุณเจสันจะมาพูดถึงแบรนด์ลูเอชั่นใช่ครับใช่นะทีนี้ YouTube เตยนะครับที่คุณเจสานดูนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ตอนนี้คิดเป็นสิบพันตัวนะับสามารถช่วยเรื่องแ a l นด์ลูเอชั่นได้อย่างไรบ้างแล้วเว็บไซต์อื่นๆมีอะไรครก็ยาทำกับเรื่องแ a l นด์ลูบเอชั่นบ้างตอนนี้เดี๋ยวก็มีคุณรามมาอีงงคนนึงในเอ็นีดแค่เพียงสิบวันะฮนี่คระบวนการแบลูเอชั่นหรือว่าการสร้างผลท้ายผลตับรูหรือเปล่าพอเราไม่สราานน้างเนี่ยแล้วม ใช่ครับคือการสร้างวารุ่เนี่ยสำคัญนะครับในเรื่ของ perception ของของ sumer เองอะไรเองการจัดวาง position การสื่อสารนะรแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานนะครับิ่งต่างๆอย่างหน้าที่ของ YouTube play เองเนี่ยคือเราเราจะเหมือนเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองฝั่งศิลปินอีกด้านหนึ่งเรามองฝั่งลูกค้านะฮะคือ คนที่เข้ามาสิทวิสิตเว็บไซต์ถ้ามองในแง่ของมีเดียเองเนี่ยเราจะมองว่าคอน s u m อ e r ต้องการอะไรนะครับ YouTube Play เองมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนมันด้ตอบโจทย์สาหรับคนอายุ 16-15 แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาต้องการอะไรไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นแบบไหน น, นะครับแล้วก็ เราก็นําเสนอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดความสะดวกเขามากที่สุดโอ้โห oh oh. ขอบคุณมากเลยเจสนี่ผมขอขอเสริมนิดหนึ่งนะ mm hmm. เอออีกเรื่องการสร้างค่าของงานของแต่และชิ้นของตัวเองเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากทําผมยืนยันได้เลยนักแต่งเพลงทุกคนอยากจะทําแต่ชีวิตความเป็นจริงมันทําไม่ได้เพราะว่าหนึ่งลูกเมียที่บ้านหิว ถ้าเองไม่เซ็นมอบอย่างที่ถามว่าขายขาดแล้วลูกเมียที่บ้านกลับไปจะเอาอะไรกินหนึ่งวิญญาณเขาอยากได้งานของเขาออกไปสู่สาธารณะปวดโชมว่าเฮ้ยงานข้าดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เงินมาไอ้ได้ก็เอียดิสิทอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงหรือนึกถึงแต่ภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจลูกเมีย ตรงนี้ต้องกินต้องใช้ก็อันนี้กับมาทต่การศึกษารจำยอมนะนั้นเข้าทามเราเลยทั้ง2องท่านบอกต้องเรียนเป็นยาโทรบบอกว่ามันเนี่ยเพราะว่าเป็นยาทบเรื่องไหนค้ a คว้าและสร้างคุณค่าเชื่อแหล่งนะแต่ว่าอ้ากลับมาใหม่นะเนี่ยนอกเลือกซะปวดความในใจสุดๆเป็นเรื่องประหลาดนะครับเป็นเรื่องประหลาดนะครับเพราะว่า สมัยก่อนที่ผมเรียนหนังสือถึงเมื่อสามสี่ิปีที่แล้วนะครับในระดับบัณฑิตในระดับบัณติตนะครับมีวิชาเลือกแกนรบรรทัพซึ่งสําคัญมากซึ่งเด็กไม่เห็นนะวิชานั้นเกี่ยวกับเรื่อง music appreciation art appreciation เนะีเรื่องอะไรนะครับปรชัชญาพวกนั้นกลายเป็นแต่ก่อนเนี่ยเป็นวิชาเกกรื่องแกนบรรทัพนะครับคือคุณต้องบรับเลือกหนึ่งใดแล้วตรงนั้นมันถึงจะสร้างฐานเพาะว่าการสร้าง คุณค่าหรือการรับรู้คุณค่าขื่นโดยเฉพาะกา ร, ร, กา ร, าราาพัฒนาสมองสิ้นกว่าครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างว่าเราจะแก้ในยังไงครับคุณผู้เชี่ยวชาติีอะไรเสนอไหมครับก็ถ้าเรามองอย่างตัวอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะคือเด็กต้องเรียนดนตรีนรั่นแหลเด็กที่โรงเรียนนะมีบังคับเลยนะครแล้วต้องฟังคลาสสิคอลต้อง ทุกอย่างคือเขาปูมาตั้งแต่เด็กนะครับอย่างในเมืองไทยเอาเอาเอ า, เอาตัวอย่างง่ายๆที่ไม่เกี่ยวกับเพลงนะที่ที่ผมเป็นข้อสังเกตผมก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยผมมีวิชาพุทธศาสนานะฮแต่หลังหลังจากผมไปพักมันเป็นสปชนะครับก็ผมสังเกตว่าพอเป็นสปชมาแล้วเนี่ยสังคมมันเริ่มแย่ อัน น, นี้เป็นข้อสังเกตนะฮะผมมองว่าสิ่งที่ที่ที่ต้องมีในระบบการศึกษาไทยเนี่ยนอกจากจะบังคับให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าค่านิยมที่บอกว่าต้องไปเรียนหมอเรียนถาปัดเรียนวิทยวัดตอนนี้ก็เรนเรียนนิเทศนะครับอันนี้ผมมองว่ามันมัน ความพร้อมหรือว่าพื้นฐานตั้งแต่เด็กเนี่ยสำคัญและสคัญมากคือเราไม่สามารถปลูกฝังทางวัตถุนิยมอย่างเดียวได้มันต้องต้องปลูกฝังในเรื่องของปรัชญ า, าศาสนาจริยธรรมเข้าไปด้วยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของวาลูจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเขาจะไม่สามารถที่จะจะ appreciate วัลูที่เขาเห็นได้เลยนะครับถ้าเขาเห็นว่า มันเต็มออกเจับอย่างเดียวเลลงไม่ใช่สิ่งของเพลเป็นจิตนากา ร, การ <S <S <S นะครับจบได้แบลกมากเลยนะชอกับชอกรับเรื่องสมอครังนะทีนี้กลับมาคนต่อไปนะครับท่านวันนี้ได้รับเกียรติหลายทางทะงคายเพลงที่ใหญ่สุดวันนี้แล้วนะ โต๊ะโผที่ใหญ่ทสุดทางอัจะปิยะมาเองนะครับโอ้โหสนุกแน่ๆ น, นะครับเพราะนั้นต่อไปคุณรอนนะครับผมอยากจะถามคุณรณพงศ์คำนวณทิพน่อครับเพราะที่นั่งอยู่นีนะท่านเป็น1ในบริษัทเมเจอร์ค่ายยักษ์ใหญ่ที่สุดขอโลภ า, ายในนะครับที่ตอนนี้มีวิสย์มากมายมีตัวอย่างเมากมาแล้วตอนนี้คุณรอนะก็ทาเรื่องเงนไทยด้วยนะฮะตอนนี้ค่ายวีดีสเนี่ยเราไปอยูนะ่คุณรอนแล้วนะฮะแล้วก็ทาการพัฒนาเรื่องเงินไทยมาทีนี้ อยากให้คุณรองรองที่ที่อยา่างที่อยา่อยางที่คุณทีน้บอกนะฮะ business model นะแต่ก่อนนี่เป็นเรื่องของการซื้อขายหรืออะไรนะฮะทีนี้อยากให้คุณรองรอง compare นะนะ เ, อเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเนถึงว่า business model ของการทำเพลงหรือธุรกิจเพลงนประทศไทยเป็นยังไงเมื่อเทียบ ก, กับ business model ต่างประเทศครับขอบคุณนะครับอาจารย์ p ีเตอร์นะครับพี่ีเตอร์ ก็จริงๆขอบคุณที่เชิญมาวันนี้นะครับตอนแรกที่ได้รับเชิญเนี่ยบอกว่างานระดมสมองหาท่องออกวงการเพลงไทยใช่ไหมครับเพราะเห็นโปสเตอร์บอกว่าธุรกิจเพลงจะเจ๊งจริงหรือเนผมเลยต้องกลับตัวรับหนังตัวให้ดูดีหน่อยให้ดูมีอนาคตนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามแม่มจริงๆผมฟังท่านผู้บรรยายายท่านเนี่ยมีมีหลายประเด็นที่น่าสนใจคราวนี้ก่อนที่ผมจะเข้าผม็นตอบเนี่ยผมอยากจะให้เห็นห้านิดหนึ่ง ก็คือว่าวงการเพลงเนี่ยวเวลาเราพูดถึ ง, งการเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมองได้หลายมุมนะครับมองได้หลายมุมมุมแรกก็คือวงการเพลงที่เราบอกว่าเป็นค่ายเพลงสมัยก่อนเรียกว่าค่ายเทปค่ายซีดีแล้วแต่อันนี้ภาษาอังกฤษก็คือเป็น recording business หรือว่า record companies นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้ก็คือ music ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ music industry นะครับอย่างค่ายของเราเนี่ย Universal you know, Music เนี่ยแต่ก่อนเราก็เป็น record companies แต่ตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นมิวสิ c คอม a นีนะครับแตกต่างกันนะครับมิวสิกคอม퍼นีคืออะไรก็คือรวมถึงเรื่องของการร e คอร์ด d ิ n งก็คือมีศิลปินมีอัดเสียงมีเรื่องพับลิชชิ่งมีที่พูดไปแล้วนะครับจะมีเรื่องของอาร์ติสต์แมจเมนต์นะครับก็คื อ, คอศิลปินเนี่ยแ s สเซมเปิ person, จริงๆหมายถึงว่าเวลาเขาโด่งดังเนี่ยเขามีสไตล์มีคาแรคเตอร์ของเขาเองเนี่ยเขาสามารถเอาความตัวเขาเนี่ย ไปทำอะไรต่อยอดได้เสร็จไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเซ็นสัญญากับแบรนด์อื่นๆอะไรนะครับก็คืออาร์ติสแมชเมนต์หรือว่าไปแสดงที่เรียกว่าทัวร์ริงหรือว่าธุร ก, กิจคอนเสิร์ตก็ดีเ อ, อาะป็นั้นเรื่องของมิวสิกเนี่ยมันมันครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของการอัดเสียงตะเพียงเดียวพ อ, อ น, นี้ยอ้อนกลับมาถาม ท, ที่พี่พิต์ถามว่าแล้วเมืองไทยต่างๆประเทศยังไงเนี่ยผมผมค่อนข้างจะเห็นเห็นด้วยนะครับกับ ที่หลายๆท่านพูดถึงที่คุณเจสันพูดเนี่ยประเด็นตงเต๊ะเลยคือม้าเรามีปัญหาเยอะมากก็จริงๆนายผมเนี่ยที่เป็น p r ประธานของเอเชียเนี่ยก็พูดผมไอ้รอนคือไอ้สงสารอยู่มากเลยนะคือถ้าอยู่ทํางานหนักขนาดนี้แล้วอยู่ประเทศอื่นเนี่ยอยู่รวยไปละนะฮะอยู่รวยไปละนะครับแต่เมืองไทยเี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ก็ก็เหนื่อยแล้วก็สเสียใจมาสมควรนะรผมไปไหนมาไหนคนก็เปิดเพลผมนะ ครับเลดี้กาคา n b สตินบีเบอร์เทเลอร์สวิฟต์หรือเพลงใหม่ไแทุเปิดแล้วแต่มันไม่ได้ตังกลับมานะครับถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าหลายประเด็นเลยนะครับเอ่อ CD ก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของดิจิทัลที่ยังไม่มี Business m o เด l หรือแพลตฟอร์มที่ดีพอที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถ Access เข้ก็มาหาซื้อเพลงหรือฟังเพลงได้ง่ายและถูกกฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันหายากมากถ้าเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงเรื่องของ value creation อันนั้นเนี่ย value creation เนี่ยพูดถึงการสร้างสรรค์า ง, งานแต่ว่าคนที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งคือผู้บริโภคเนี่ยก็มองไม่เห็น v a l u จาก creativity คือไม่ให้คุณค่ากับ value อันนี้ผมยกตัวอย่างอันที่ไม่ใช่เพลงละกันนะฮะจะได้เห็นชัดคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราขับรถไปเที่ยวพี่ปีเตอร์องจำได้ไปเที่ยวทางภาคกลางหรือผ่านอายุธยาเนี่ยจะมีพวกเครื่องจากสารอะไรวางอยู่ริมทางเนี่ยนะครับอย่างสวยเลยครับเท่าไหร่ครับ ยี่สิบบาทโอ้ยยสบาทได้ไงอะ่ะไหวมันมีอยู่แล้วนี่ห้าบาทได้ไปวันนี้เราพูดเรืเตลครับนอยากให้ดูก็คือว่าไอตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในสังคมไทยคือการให้คุณค่าของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่อยู่ในไม่อยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยหรือใครสร้างอะไรดีๆมาเนี่ยพบการ์ด้าปานนั้นอะไรมาดีๆพรุ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดละถามว่าทำไมอะ่ะถามพวกมันก็ฉันก็ปั้นได้ แต่เขาไม่ให้แบบนี้เพราะนั่นนั่นคือความที่เหนื่อยของอุตสาหกรรมเพลงไทยแต่จริงแล้วเดี๋ยวผมจะมีว่าแ ล, ว แ, ลวแล้วทางออกคืออะไรเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปถึงทางออกนีผมอยากจะโชว์ให้ดูนิดนึงนะเป็นวิดีโอนะครับว่าสำหรับศิลปินเนี่ยที่เขาเป็นศิลปินจริงๆแล้วอาศัยโอกาสหรือว่าเขาใช้ใความเปลีแปลในโลกดิจิทัลเนี่ยทให้เขาเสามารถ เป็นที่รู้จักหรือว่าสร้างผลงานออกมาได้ยังไงนะครับจะขอวีดีโอหน่อยครับเสียงดังเลยนะครับ ไปที่เฮดคอร์เ t อร์ของเขาเลยเพื่อสัมภาษณ์ถามว่าทำไมต้องเป็นกากาก็เพราะว่ากาการเนี่ยเป็นศิลปินที่ถูกเซิร์ชมากที่สุดใน Google ทั่วโลกนะครับรวมถึงเมืองไทยด้วยใน2ปีที่ผ่านมาวิดีโอของเขา Bad Romance มีคนดูถึง260ล้านวิวนะครับแล้วทั้งหมดรวมกันก็เป็นพันล้านวิวนะครับถามว่าทำไมต้อเป็น Google Google ต้องโกกากาผมถามครับว่าตอนนี้เนี่ยมิวสิก e ีหรือร้านขายเพลงที่ใหญ่ที่สุด ในโลกเนี่ยคือใครนะครับใครตอบได้ไหมครับน้องๆนักศึกษาริทาิสตอาจารย์พีเตอร์พอทราบไหมครับยกมือตอบไหมครับไ t ท n นสโตร์แอปเปิเป็นเบอร์หนึ่งนะครับวันก่อนในบอนโจวีบอกว่าแอปเปิลข่าของการเพลงยจริงๆแล้วบอนโจวีก็ค่ายเราแต่ผมอาจจะมองกลับกันนิดนึงจริงๆแล้วแอปปิลก็ช่วยกันเลยอยู่ในระดับหนึงช่วยเปลี่ยนโมเดลธุรกิจแต่นอกจาก Apple แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นนะครับนะครับ ม i ลค o รซอฟ์นะครับ YouTube Play ได้ป่ะ YouTube Play ก็เป็นโมเดลที่ดีนะอันนี้ก็ชื่นชมด้วยความจริงใจว่าดีจริงแล้วก็ Amazon นะครับก็จะเริ่มมาขายเพลงในรูปแบบที่เรียกว่า Cloud Computing Music One Music One อันนี้ก็เป็นเป็นทางออกที่เรากำลังที่เรากำลังทาขึ้นมาคือในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสะดวกของผู้บริโภคเราไม่มีสิไปบังคับว่าอยู่ต้องเข้า Music One นะอยู่้เข้า YouTube Play นะ ถ้เาเขาจะชอบก o g l e อยู่จะทำยังไงให้ให้ตัวเราเข้าไปอยู่ตรง น, นั้นและทำให้เขาสามารถเข้าหาเพลงของเราได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกกฎหมายถูพิธีนะครับเพราะฉะนั้น Business Model เนี่ยครับในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกันก o o g l e กับ YouTube เจ้าของเดียวกันนะเรามี Business Model ดที่กว่า็คือว่าผู้บริโภคนี่สามารถไปชม MV ของศิล ป, ปินที่เขาชื่นชอบเนี่ยผ่านทาง ยูทูหรือว่า Vivo แล้วก็รายไดจากการโฆษณา น, นั้นเนี่ยก็จะกลับเข้มามาหเอริด้วยอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในโมเดล น, นคะครับแต่ยังมีเยอะเลยทีเดียวโอเคจ้าวเลยคือว่าแทนที่จะขายเป็นตรงๆก็เล่นเอา View เก <im it> มรีวิวอะไรพวกนี้่าเกีเ่ยวข้องใช่ v หม i ีวิวสกรี n ิประมาณนาแล้วก็สร้างรายได้จากแพลตฟอเ ม, น, ออมนะไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นแนวที่ดีะแลอาจจะต้องเป็นแบบนี้ก็ได้โดยเฉพาะในยุคใหม่นะฮะที่ก็บอกว่าถ้าอย่างเกาหลีเนี่ยฮะเกาหลีเนี่ย มันจะอยู่ที่หนึ่งกิบเออร์เซกเนี่ยห น, นึ่งหรหนึงันแปดพันเออร์เซกนี่แสดง ว, ว่าเราสามารถสตรีมมัลติมีเดียคงจำได้ครั้งหนึ่นะครับเคยคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามันมีตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า DVD ีดคอนเสิร์ตหลายแหล่กำลังเบิร์กข น, น, นมาป่าพันี DVD ยังใช่ครับโตขึ้นในในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังขายได้ดีอยู่สาเหตุก็มี ง, ง่ายๆก็คือว่ามันยังโหลดล่ไสะดวกแล้วก็มันยังไม่ได้ไฮเดฟินิชั่น เกือบที่ซื้อแพ่นนะครับเราะฉะนั้นคนที่เขาชอบดูอะไรพวกนี้เนี่ย Visual Products เนี่ยอยาอยากให้ความสำคัญกับตรงนี้อยู่ผมจำได้นะครับว่าสมมติอย่าเ d a v i ฟอสเตอร์ Foster, นะครับแคทรีนแอตตีใช่ไหมครับร้องคู่กับแอนเจล s าชาลีนมันเป็นอารมณ์ที่มันสุดยอดจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่บอกว่าเพลงมันอรองรองเฉยๆแต่เห็นนะปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนี้นะครับแล้ว Catherine, แคทรีนแอทีเนี่ย มือเงื่อนตาไม่หมดเลยร้องผู้แปร์นนบฉลชีวิตตัวแล้วจะต้องเลี้ยงบ้านผู้แปร์บอลชีวิตให้ได้ในขณะที่เป็นบอลชีวิตเนี่ยร้องเต็มที่รต เ, ย, เยนะก็พยายามตลอกพยายามช่วยให้แม่ช์ขึ้อารมณ์อย่างนี้เห็นจะเอ่าตัดีมาในไฮส e ีที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่าจะสพพอกเรื่องนี้แน่ๆ น, น, นะครับ น, นี่มาขออนุญาตคนต่อไปเลยนะครับนะคนนี้ที่ใหญ่รจริงๆทิสติทมัสนะครับ ท่านกับผมเคยอยู่วงตรีเดียวกันใช่ไหมดนตรีชื่อ Band. เอซิแบท่านเล่นนิ้งหนองผมต่อคำโบนแล้วท่านน่แสนที่สุดท่านชอบตีนิ้งหนองหน้าผมนะแล้วหัวเราหือๆผมอยู่หลังท่างคำโบนเป่าไม่ออกเลยครับนะแต่ท่านเนะียวันนี้นะต้องยอมรับตื่นได้นะมีคนหลายหลายแซล่ลนะแซวบริษัทนี้ตลอดแซวว่า การไมนิเซชันสาวบริษัทนี้ตลอดได้คําว่า g าร i z a t i o n แต่ผมมอกต่างกลุม น, นะครับการมีนิเซชันหรือไม่ก็แล้วแต่แต่การมีก็สามารถสร้างให้ถูกสาขาเป็นไปได้ระดับหนึ่งไม่ใหญ่ขึ้นไปแล้วเป็นช่มงๆซะด้วยเพราะฉะนั้น ว, วันนี้ขอหมั่นเดือดสนานท่าน้เรีครับว่า g ารไมนิเซชัน next step คืออะไรที่จะผ่านทางตันของความเจงนี้เท้าความาสนนิ้ น, นะครับย้อนวันกับไปสัก28ปีแล้ว วงการเพลงไทยไม่มีเพลงสตริงอย่ทุกวันนี้นะครับเป็นอีกแบบนึงกั้มกึ่งี่จะเป็นคือค่อนข้างจะเป็นทางตะวันออกมากกว่าตะันตกก็มีคนคนหนึ่งนะชื่อไผ่บู๋นะครับแต่เขาเป็นลูกาสียงการฟังเพลงแค่รอบเพลงไม่ได้ไม่มีเซ็ทไม่มียีนตรงนี้ในกาพานันธ์องแกเลยแต่ชอบมากครับคนเป็นลูกเสียของการฟังเพลงที่ดีแล้วก็ไปชวนบนะุคคลที่ใหญ่ของวงการเพลงชื่อไร้วัฒน์ปุษิการพิเตอร์ ร ก, กันเดี่ยโดยการเดียวคือทำเพลงที่แตก่างนะครับวันนั้นก็เกิดเพลงไทยในอีกแบบนึงค่อนข้างเป็นตะวันตกเกิดขึ้นมานะันคือก้าแรกขแผ่นี้ซึ่งก้าแรกวันนั้น่ะเราไม่ได้คิดหรอกว่าวันนี้เราจะเป็นวันนี้วันนั้นมันก็มีหกลมวันนั้นจริงๆเราถือว่าเราเป็น อ, อินดีขอร์แอนด์เามเพราะทำเพลหชาวบ้าน แล้วในคุณเทวุลก็มีควาเห็นว่าเขาก็เห็นเครื่องจิตเพลงน่ยสมัยก่อนอย่ที่ว่าจะเป็นบาร์เกียร์สำคัญเด่นมันไม่มีการจัดระบบมันไม่มีการรีเทิร์นผลประโยชน์ให้กับคนทํางานแล้วคนทํางานมันเป็นระบบการทํางานมันเป็นเครื่องคูนกันไม่มีนักแต่งเพลงที่ดีมันก็จะไม่มีนักร้องที่ดีนักร้องที่ดีต้องการคนแต่งเพลงที่ดีนักร้องและคนแต่งเพลงที่ดีต้องการประษัททาผ่านโฆษณาที่ดีเริ่มเฟื่องต้นสำหรัแกร์บี้เริ่มจะแขง่งบุกจี้เพลเดินท้มามไปวันหนึ่ง เราก็ไปเจอพว ก, พวกที่เป็นดิสติบิวชั่นสมัยก่อนก็เป็นไอเฮียเฮียนะราก็ไป้เขาขายรับปกส่งปกหายบ้างอะไรบ้างวงงถึงขนาดมือขวาเขาพึนงคุณบูลในสมัยนั้นคุณออสคุณจัษฐ์จะเก็บตังค้าค่ า, าตางมวดเจ้าของออเฮียเจ้าอะย่างเนี้ยอย่าเอ่ยชื่อ น, นะครับเขาไม่กว่ากว่าไร้จอมปานนะก็บตังตามตามสิษ์ของเรานะเป็นเรื่องของยุคสมัยทาให้เราต้องคิดว่าเอ๊ะวันหนึ่งคุณบูลบอกสงสัยถึงเวลาที่เราต้องท ผลิตเองจัดโฆษณาเองแล้วที่เกิด MJ ขึ้นมามาเป็น Next step ็อกไปพอทําเสร็จแล้วเราบอกว่าเ้เราองมีทีวีเพราะวันไสื่อโฆษณาแอมมี่ก็เข้าไปต่อสู้จะได้เวลาเพลงมานะสมัยก่อนเวลาเพลงเนี่ยมันจะทางทางเนี่ยโห่ข้ามถึงไปบายหลังเขาก็ไล่ที่ไปอยู่เตี้ยอีกคนเราก็มานั่งคิดกันดีว่าถ้าไล่ไปอ่งนี้แล้วคนจะฟังเพลงที่เหมือนเป็นไออะไรบางอย่างที่สังคมต่างเกลียด เราก็เดินมาทามัถึงมา่สัก2อปีที่แล้วเราก็เลยเราก็เลยทำสัตยาทีวีเพืากออกของเราไปที่เล่ามาทั้งหมดคือโมเดลของแกร์กี้มันแตกต่างจาบโมเดลของธุรกิจเพลงในโลกทั้งหมดเพราะเราอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลเราจะมีมันหมดถ้ายังไม่มีก็จะมีมันในอนาคตนะครัเป็นเป็นตัวตอบโจทย์ว่า ทำไมเราที่หลน่นะนะช่วงเราตอนที่ดาวโหลดที่เท่าโลกที่เท่าเข้มานั้นเราก็ดีใจว่าดีไวส์ผมใคยพูดพยากรกับทงางรากข่าสายเศรษฐกิจไว้ว่ามือถือจะเป็นเครื่องมือฟังเพลงที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะพูดมาตั้ง5 6ปีแล้วแล้วมันก็มาจริงๆหัวหอมเงื่อนไขายคือราคามาถูกลงต่อไปคนจะพบพบเพลงสมัยก่อนนวัตกรรมยิ่งใหญ่มากคือ So นที่วอลล์ที่คนสามารถพบหาเพลง ไ, ได้ทุกที่ อันนี้มันเป็นมือือเพราะอะไรพราะว่ามือถือมันมีหูฟังซึ่งหมายความว่าถ้าถ้าคนไมอยากรอลอสคอมมูนิเคชคนอื่นก็ต้องฟังเพลงไปด้วยคนโทรมากกว่ารู้ว่าใครโทรมามันก็เลยเป็นมือถือแน่นอนผมคิดดีไว้ว่าวันนั้นอ่าอ่าไอท็อจะต้องทําโทรศัพท์แล้วมันก็มาโทรศัพท์จริงๆนะเราคอนเสิร์ตล้วลเติมทีถ้าเป็นของผีเทพผีสิริ <PC D S 1> บอมนั้นเราเดินไปเห็ น, นว่างขายเราเห็นต่ะหนัตระ แต่เข้าสู่ดิเิทัลเนี่ยเราไม่เห็นเรากบมากว่าการโปรเจคเรื่องของดิเตอร์ดาวน์โหลดการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนการเข้ามาของมือถือการเข้ามาการดาวน์โหลดเราค้นพบ ว, ว่าคนบริโภคเองสูงขึ้นมากขึ้นแต่จ่ายตังค์น้อยลงโดยเฉพาเมืองไทยที่มีท่านิยมของถูกดีถูกฟรีจะดีที่สุดแล้วบอกเราก็ค เ, าเคยคิดแบบ เอาใจร้ า, า, า, นานเอาง e ั e ้นเอา D I M สา D I M สายตอนนั้นเราก็เฉียงอยู่ในบริษัทว่ามันแต่งไป่สมพวกเลยว่าเจีย D I M e จะเกิดประโยชน์จริงไหมเพราะว่ามันทําไปแล้วมันไม่เกิปดประโยชน์เพรคนไทยก็เปล่งแพกได้หมดเราเสียเงินเป็นหลายล้านหลายสิบล้านในการปรกปทอแผงซีไม่ไประโยชน์เลยทีย่งทําให้ยุ่งยากผู้คนต้องการติดแผงเข้าไอพอตก็ทําให้เกิดยุ่งยากทาให้เกิดไม่นิยมในสินค้าไม่สะด ว, วกเราก็เอ้อันเลิก เราค้นพบอีกว่าเออมันท้ามันเป็นอย่างนี้ทำยังไงเรากลับมายอดการค้าที่หนึ่งหรือ convenience สะดวกสบายถูกเราถึงคิดระบบเมื่อ2ปีที่แล้วขึ้นมาเรื่องของระบบดาวโหลดดอกจัน็นกองศาจต้องต่อสู้กับคอมเพเตอร์กบองคนเ พ, พืพ่อสร้างโมเดลที่ทำให้เป็นวินวินส์สุดยอดเริ่มต้นจากดอกจันสามสานโปรแท็กก่อนดีแท็กได้ราวันดีแทกเมืองไทยนะได้ระวันวตกรรมยอดเยี่ยมของ d ีแท็กแม่ เรนอ์จากอันนี้เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการดาวน์โหลดบุฟเฟ่ที่ย่า่ที่สุดมันอกมีบุฟเฟ่แต่บุฟเฟ่เล็กอันนี้คือ Unlimited b u f f ตครั้งแรกเราเสนอโมเดล ว, ว่าเป็นอันนี้เป็นเรยกองไคอนมูลสเกลว่าถ้าถ้าหนึ่งเพลงหนึ่งวหรือร0อยเพลงในราคา29บาทนะปัจจุบันมันต่าําว่าไทยบาลแต่ที่มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะ ม, มันไซซซิ่งแทนที่คนจะไปผีหมด บนะาทหนึ่งแล้วกันทำบาทหนึ่งแล้วมีคนสักสามล้านสี่ล้านห้าล้านขึ้นมาได้ไหมท่าที่ไปร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วมันไม่มีเหลือเลยเนี่ยเราทําแล้วพ้นเขาว่ามันพลิดฝืนแต่การาที่ทําำธุรกิจโหเดอร์น ไ, ได้เนี่ยเงื่อนไขขึ้นอยู่ที่จํานวนเพลงนะเดิมทีเราก็หลงทางอยู่ว่าจํานวนเพลงเที่ทุกคนคิดว่ามียุคหนึ่งเราก็ทําเพลงทีละเพลงเอาแม่งแม่งให้มันได้เยอะแต่ถ้าเราเข้าโมเดลบุฟเฟ่เนี่ยนอกจกับ อ่มันมันแล้วมันต้องเยอะเยอะด้วยเพราะไม่งั้นสมาชิกจะไปขูทุกวันนี้เราเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตอนนี้นะฮะณปัจจุ บ, บันเนี่ยเดือนหนึ่งแราไม่ออกเพประมาณเดือนละ700เจ็ดร้อยเพงนะ<ม>เดือนละ700เจ็ดร้อยเพงทุกแนวนะฮะพราต้องถามเพราะว่าสมาชิกเขาก็จะว่าเออคุ้นี่ขนาดขูขนาดนี้ไปยังไปโฟรโ์โแชร์เราก็นี่ลนอีกไม่รู้จะให้ใครช่วยเราก็อีเมลไปติดต่อโฟแชร์ โฟชาอยู่ที่ยูเครนนะครับเปิดประเทศนี้เขาอยู่ภาคีลิขสิทธ์เหมือนกนะันอีเบอร์ไวั์แทกไม่ตอบเราเอาคนายเรายืนโนตดิสทุวนนี้เขาตอบร่วมมือกับเราในการเอาเพลงของเราลงจากโฟช e แต่ไม่ได้บันั้ น, นแต่ก็ถือว่าลงได้เยอะก็หกสิบเปอร์เนตนองถ้าน้องๆไปหาโฟชาจะแปลกใจนะครับเมื่อเจอเพลกรนี้ก้าวต่อไปเราก็จะปิดรายบแชร์ ผมคิดนะครับว่าโฟร์ชร์โฆษณาทั้งโลกว่าวีแอนนาเบวันที่เอาเกลมาเลขค่ะเล่จะมันหนา้าท่างโฆษณาขนาดนี้ได้ยังไง ร, รีกับแล้วเมื่อสิบลัดโลกนะไม่นับหนังในโฟร์แชร์ก็หนังก็โดนนะครับแล้วบอเราแก้นี่คือมุมดีเชีวยวเราแก้คลิกฟืนเปลี่ยนโมเดลขึ้นมาเร่อยเรื่อยเราดินนน้นนถึงขนาด ว, ว่าเราได้ไลเซนส์เอว O เพื่อรองรับโลก 3G นะครับก็ยังมีข้อคุ้มครือนและกฎหมายก็ยังรอกฎหมายชัดเจนอยู่ พอได้ปุ๊บเราก็จะเกิดดิจิทัลพลตฟอร์มใหม่นะ เ, นเราเราเป็นเอวีซึ่งเป็นเป็น Op ปเปเล็กได้เลยซึ่งเราจะเน้น Data Content เราไม่เห็น Voice เราไม่ใช่เป็นมือถือเราเป็นการฟังเพลงโมเดลเราเราาถึงว่าถ้าคุณเล่น iPad อยู่หรือ Galaxy Tab หรือ Any Mobile เราเชื่อมั่นว่าในปีสองปีอินเทอร์เน็ตจะโตนในโมบายเพราะว่าอิน r าซั u เปอร์ในสายที่เราบ้านเราไม่มีทางทำได้ ลือใหม่ก็เงินเยอะมากมามาที่โมบายถ้าเป็นมาที่โมบายโศนว่าคุณอยากร้องเพลงคาราโอเกะที่คุณต้องไปหย่อนตู้สิบาทหรือไปเช่าห้องแถวห้องชัวง่วโมงร้อยสองร้อยอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณสามารถเช่าเพลงร้องเพลงของใคบไม่ได้สมไอ้ี่สม NE, สมติาราคาว่าเดือนละสามสิบาทร้องไปเลยสามสิบหนึ่งเพลงคุณคงไม่บ้าเอาไปสมสิบหนึ่งเพลงไปเก็บ ไ, ไม่สะดวกไม่เพลงใหม่ออกมาคุณเอ า, เอาไปรองเลยสมาชิกไป สมาชิกท่านที่บอกตรงนี้ปุบได้ปุบเงินก็เข้ามาเงินเข้ามาแล้วไปไหนเข้ามาก็ไปหาคนแต่งเพลงไปหานัรองแน่นอนก็คนทํางานการกงานบริษัทมาถึงอยู่รอบกนอยู่หมดนะองค์กรจะมีมันคนประมาณสามพันคนการดูแลมันหนักกว่าลูกเมียที่อยู่ที่บ้านไมกคนสานะมพันคนแล้ก็มีลูกเมียอีกคูณเข้าไป อ, อันนี้คือในมุมดีๆเช้าในมุมสี่ดีเราบอกได้พูดองค์ค่ายเพลงก่อนนะ แล้วุงซีดีเราก็นันเชื่อกันว่าไอซีดีมันฟล็อปมันไปเชื่อตามตลาดโลกหมดมันตอบด้วยสาเหตุเดียวคือจำนวนเครื่องเอกไฮโนมิเอสเกลนัันคือไซส์สมันเล็กลงจำนวนคนลดลงการร้านหนึ่งร้านที่เป็นรีเทลช็อปเนี่ยมันเป็นค่าเช่าคุณไปเปิดร้านในห้างเนุณโดนค่าเช่า GP คุณโดนห้งชาร์จจีพ้ค่น 1, กว่าาคุณอเหอร์ิจเพลงพอเปิดเป็นรีเทลช็อปมันมาจีนมันต่ำมาก สอามซ็มันอยู่ไม่ได้มันเล็กลงมันอยู่ไม่ได้คนเราไปถามแผงเกมอดีตชันเนี่ยแถวบ้านกูรู้ว่าทำไมมันอยู่ไม่ได้เพราะค่าเช่าเติกมันสู้ไปบ่ายก็ปิดทุกคนก็ได้เชื่อว่าบรสิรมันลดมันลดแรลว่ามันไม่คอมมิวนิสตะไอ้ของผีมันก็เข้าตลาดแต่มไปหมทอันนีโทษที่ปั่นนะฮะมาไปที่บอกว่าออกกระไม้ที่ไรคนของจริงเหนื่อยสุทีนะของปลอมันขายเต็มไปหดเลยตลาดนะแต่ของจริงขวไปเรื่อยเราแก้ยังไงเราบอก เดี๋ยวคุณอยู่เบื้องหลังของปลอมแบบผมไม่แน่แน่นอนเราก็เลยคิดต่อว่ไอ้ถ้าเราสู้ของปลอมเราคงมีสู้สองเรื่องคือ convenience กั บ, กบ quality นะ convenience เกิดเราบอกว่าขนาดนี้ e-commerce ของไทยเริ่มมีที่สำเร็จเจ้าใหญ่ในเมืองไทยคือ Office Mate เขามีเว็บไซต์แสนดีเด็ดดับของเราเข้าไปดูนะคุณจะต้องซื้อกระดาษดึกทีเดีคุณไม่ต้องสั่งกระปองทที่นี่ละคุณสั่งเขา24ชั่วโมงถึง ขั้นต่ำ40กว่า9บาทส่งฟรีโฆษณ า, าเขาเไดเลยเราไปดูระบบของเขาหมดเราก็จะเริ่มเอาไปฝักเข้าขายต้นทุนร้านอนะไเราพัฒนาช้อปปิ้ง8ับของเราเองเมาลิ่ส่งถึงบ้านยี่คนกรุงเทพเพราติดไม่อยาออกไปไหนเราส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านที่เขาเก็บเงินเมื่อของถึงหน้าบ้านนะครไม่ใช่เก็บเงินก่อนแตกต่างจากอีคอมเมิร์ซเดิมนะเราเราเร า, เราคุยกับไทยที uh, ่เก็บแม่เจ้าอันนี้คือ เชือมช่องทางกันหน่อยซีดีแล้วก็พบ ว, ว่า ย, ยอดมันเติมโตขึ้ น, นผมผมเผยความลับก็ได้นี่ย้วกันเพราะเดือนหน้าประวัาิอ่ะบริษัทยอดสั่งจองผ่านไทยที켓เฟเจอร์นะ เ, เปิดไปได้ชิ้นกว่าวันเนี่ยหมื่นหาพันแตัวเลขไม่เลวนะในทศออนี้เราคิดว่าพอถึงสิ้นเดือนมนันอาจจะมียอดสูงขึ้นมานะอีกตัวนึงของซีปัญหาซีที่ถ้าคนเคยทำค่ายเพลงจะรู้ว่าปัญหาใหญ่คือเรื่องของ CN คือบริหารสต็อกอมเมจเจีเนื่องจากระบบบ้านเราเนี่ยซีดีเป็นระบบคอนซายร้อยเรนะคือส่งไปส่งกลับส่งไปร้อยหนึ่งขายที่สิบผันส่งคืนมาแ0ดสิบทีได้แ0ดสิมันกลับมาแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนอ่ะมันเป็นเรื่องปัญหาใหญ่เหมือนกันการค้าขายแบบเมริ่ข้อดีคือว่ามอมีการเจ้าสั่งจองเข้ามาปันไปแล้วเราบรรอิมเมจเจอรี่ง่ายขึอรยังมีอยู่แต่ควบผมยังไงนะครับเราคุยกับ เนื่องจากแผงเทมเราไปสำรวจหลาจังหวัดแผงเทมไปแอร์วีอำเภอนี้หายไปกี่แผ่นแต่คนอยากซื้ออยู่อ่ะโดยเฉพาะแฟนแถบคนยังอยากจับต้องเตาโล ม, มันจับต้องไม่ได้มันไม่มีปกให้ดูมันไม่มีข้อมูลใหอ่านใครอยากซื้อแผ่นจะแผ่นจะวางที่ไหนเพราะร้านมันปิดเราก็เข้าไปคุยกับเซเว่นอีเลเวนตั้งกล้องทำยอดไปเลยเรากบอกเอ้ยเราได้ทําตัวเลขดีขึ้นได้ไม่ทรา บอกวุ้เล็กไ่ต้องใจไปะนะปีแล้วเราค้าขายกับเซเว่นเท่าซีดีประมาณแล้วยหสิบล้านปีนี้เราตั้งเป้าร่วมกันว่าจะเป็นเฉพาะร้านเซเว่นจะเป็นสองร้อยสามสิบล้านฟังดูแล้วข่าวดีนะครับไม่เจ๊ง น, นะไอ้ น, นี้จะมีส่วนแบ่งนักแต่งเพลงหมดนะเราคิดว่านี่คิดเฉพาะ แ, แ, แค่เรื่องของเล่นของในอนาคตมันจะมีกันอีกบ้างาและก็เรืการ treat CD เป็ น, นเมอร์เชนดายสิ้บาทเคยคิดเคยคิดว่า CD เป็นตั๋วไหม ผมาเขาไปเยี่ยมชมเป็นวิจกรณ์แฟนคลับของใครทุกคนอันนี้แค่มุมเรอร์ดมันมีช่องทางของการแด้เงินกลับมาที่คนแต่งเพลงเยอะไปหมดอันนี้หมายถึงว่าค่ายที่แบ่งตามถูกต้องนะครที่ที่ซื้อขาดไม่แบ่งในคนละเรื่องแล้วแต่งเพลงที่ดีบอกกลับมาว่านักแต่งเพลงที่ดีกก ม, ดมีสไตล์เขาก็มีกําลังใจสร้างงานดีหน้าที่ของแกรมี่ในการพัฒนาคนพูกนีคือเราต้องหาทางหาทางให้เขาให้ได้มากที่สุดอาชีพนักแต่งเพลง เราอยความเชื่อว่าอาชีพนักแต่งเพลก็เหมือนอาชีพอื่นที่ควรจะมีความสําเร็จความร่ํารวยได้ตามความสามารถของเขาเราก็ทําำมาตลอดจะสังเกตว่านักแต่งเกลงมีมีจรบ้างมีรวยบ้างอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพถึงอาชีพมีควเก่งกับไม่เก่งเก่งแปลว่าสําเร็จไม่เก่งแปลว่าไม่สําเร็จอันนี้เป็นเรื่องกลไกทุกอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่านักแต่เกลงส่วนใหญ่คนที่สําเร็จมันจะน้อยกว่าคนไม่สําเร็จอยู่แล้วทุกอาชีพอันนี้เป็นกลไกปกติของอาชีพ แต่คนสําเร็จนั้นผมบอกเล้นักแต่งเพลงผมเนี่ยรายได้สูงสุดคนหนึ่งเอาที่สูงสุดนะประมาณปีละสิบล้านนะผมคิดว่าน้อยอรือมากแต่งเพลงอย่างเดียวอยอยไอ้คนที่ 2, สองแสนก็มีนะครับเราก็เลยมาคุยว่าเขาใช่หรือไม่เรามีระบบเทรดที่เขาเก่งขึ้นมาได้ไหมเรามีเรคเมาทเรฟเนต์หรืออะไรก็ตามแต่ซืส้สร้างอินสปีชั่นที่เขาคิดงานเยอะเยะดีๆได้ใหมแปลว่าทุกคนกำลังจะบอกว่าจะต้องแยกเป็นสองพาสครับ ครับพาพาทีกับพาดใช่คือเมา่อเป็นเมื่อเมื่อไปอาชีพไงคุณสร้างคนเพียรเสียงานเก่งให้ดีมีระบบจัดการแรกเปลี่ยนคามคิดสร้างในสเปเชียนของเราคุณก็ต้องมีระบบเก็บกันให้เขาเราก็ต้องไปต่อสู้สู้รบเพื่อจะเก็บเงินให้เขาอย่างที่บอกว่าศิลปินไปเล่นแล้วคุรวยนักร้องไปเล่นคนแต่งเพลงไว้ได้โพสษัเรามีการเก็บให้กับคนแต่งเพลงโดยบริษัทไม่เอาเลยสักบา คือถ้าเก็บจะทราบใช่ไหมเก็บมาสเตอร์ซึ่งสิทธของค้าส่วนใหญ่แล้วก็สิทธของทับพิชิ้นเราเก็บแล้วเรายกให้คนแต่งเพลงหมดเราไม่เอาเพราะไม่ถึงเป็นไปส่วนไฟแพทย์ของทับพิชิ้นของของด้านนี้ทับพิชิ้นอ่าเราก็ทำอันนี้ก็ไปเรื่อยถามว่าโครงการเพลงมันจะไปไหนต่อเราบอกว่านี่คือแค่ท่อนของของเรคคอร์ดบิสเนสเรากำลังเดินเข้ามาสึงท่อนของอาร์ติสต์แมนจ์เมนท์ รายได้ของพันเอง ค, คลา้ายๆโมเดลองคก่อนแต่ว่าเราเรียกว่าเป็น Total Music Business เราทำสิ่งที่เรียกว่าไอ้รายได้ตัวที่เอาเพลงออกไปทั้งแสดงเผยแพร่แล้วเก็บและเราลองได้รายได้ด้วยนั่นคือการทำโชว์บิสต์ทำคอนเสิร์ต <c ười> เราได้ทำมา ส, งสงองสามาแล้ว Big m o r t e n ซึ่งเป็นเราเชื่อว่ามันเป็น Music Festival ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและคงจะทาต่อไปพีนี้ก็มีเหมือนเดิ ม, มเสริมนิดนะฮะซีแสกากลที่เข้าดูแลเรื่อง เคยแพทย์ปรถามผมว่าเขาเคยไปคุยกับแกรมมี่ว่าแกรมมี่จ่ายติทิตรงนี้จริงไหมมาถามผมอย่างที่ผมชมตอนแรกว่ามีองค์กรหนึ่งคือแกรมมี่ในประเทศไทยจะดีมากหรือดีน้อยก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาจ่ายกันผมก็ยืนยันกับสีแสงว่ากัน ม, มี่จ่ายคนต่อไปนะฮะผมขออนุญาตกับชับเวลาที่ในต้นข้างล่างต่อว่างมาแล้ว ว่าต้องสรุประวังเรงเวลาหน่อยนะครับ้ตนต่อไปน ะ, ะ่ยนะผมรู้จักท่านมาตั้งนานแล้วนะครับท่านเคยอยู่สมัยตอนนั้นเขไปช่วยทางกรทรัพย์สินอยู่ต้องเยอะแยะเลยนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่กล้าแขมากขนาดเรียกว่าเรียกว่าเหนี่ยงเหนี่ยงการรำรำนะครับวันนี้ท่านมีบทบาทอีกเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะบทบาทท่านการสร้างสรครค์นะครับ กรมสร้างสรรค์ยามีนโยบายหรือมีแนวทางไงจะส่งพอร์ตพวกเรามันบ้างครับในเรื่องการสร้างสรรค์มีทั้งสองทางนะผมคงจะเป็นเรื่องการปรับจับนะครับแต่ว่าการปรั บ, บจับผมคงไปพลาดเท่านั้นประมองมาวันนี้นะฮะจุดมันอยู่ที่ถ้าผมจับจุดของคุณกรีฑาได้ได้ได้ได้ถู้นะฮะคุณกรีฑได้พูดแต่เรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องอีคอมเมิร์ซสปีดนะฮะ ดิค อ, อนดิเมสฟีคือการที่จะใช้ความเร็วไปตอบโจทย์นะถ้าเก่นผู้ริโพคเนี่ยน ะ, ะเราสามารถตอบสนองได้เรื่องคอนเทนต์ไปถึงมือเขาอยา่างรวดเร็วนี่นะก็แปลว่าเราก็สามารถจะตอบสาาอนอง เ, เขา ไ, ได้รูเร็วมิฉะนั้นเขาจะายทางเรื่องนี้ทีนี้แล้วก็ผมได้ฟังตัวเลขต่วนเลที่น่าสนใจมากทือจากองก น, นะฮะดูว่ามันมีองค์เล่มเดือนะเ่าผมว่ า, าสนสร้างสรค์ในประเไทยอ ย, ยอะแยนโยบายของทาลงทรัพย์ินทปัญาเนี่ยในเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องทารสราสรค์ มีทางไหนบ้างมครับนะมีทางที่จะพอจะแมชะทช์กับประเทศเกอไลยครับนั่งนานจนน่าใหม่จะไม่พูด <c oughs> <c oughs> แ, กแกเล่ น, ลนครับจะเรียนว่าความจริงแล้วเนี่ยถามว่าราชาการเราเนี่ยนะจะมาปรับปรุมในเรื่องของสารจาเพยอย่างไรบ้าง ต้อบอกว่าในกุศลกำเพลนเองนะคะตอนแรกก็เห็นหัวข้อตกใจเขาฝากโพสเตอร์ที่แต่งข่าวว่าข่าววิจิตรตกใจว่ากุศลกำเพลยเ่งรวยหนึ่งเมื่อเขไม่น่าจะใช่ก็จะดูจริงๆแล้วเนี่ยจากเราดูของตัวทีร TPT 10% ของ TPT ที่ได้มาเนี่ยมาจากกุศลกำเพลที่เป็นรายได้ของประชาชนของประเทศเราในส่วนนี้เองเนี่ยถ้ามองตรงนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเมื่อกี้เราก็มีการคุยกันนอกรอบว่าเออ รัฐบาลเนี่ยหนวยไหนที่เป็นคนดูแลในเรื่องของงานเพลงบ้างที่ท่าพยาภาพเพียบเลยมีกระทรวงวัฒนธรรมดูแลแต่เพลงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองนี่ยถ้าถามพารัฐแต่สั่สอยู่ในใดบ้างที่ใช่ในต้องเรียนว่าความจิงแล้วตอนนี้รัฐบาลม่เคลื่อนไปในเรื่องของการสั่สโดยที่มีเสรษีสร้างสารมีการเพิ่มมูลค่าเพราะฉะใช้คําที่ท่านพูด้ว่าความคิดที่แตกตา่างคิดที่แตกต่างแต่ ม, มีประสบความสำเร็จเพราะคิดที่แตกต่าง การคิดแตกต่างเราบอกว่าตรงนี้หลือืนในเรื่องของคิ้งคนนี้เพืามันสามารถเพิ่มคุณค่าได้นะคะถ้าเราจะจัดฟูงยังไงฉันอว่าคงต้องมาดูจุดที่หนึ่งก่อนถ้าบอกว่าศากกรรมเพลงไยประสบปัญหาควรขอพูดสร้างเลยนะคะก็คือ 1. ึงถ้าพื้นหาจะปรับยงงหนึงมหาลัยทั้งหลายนะคะที่จะต้องมีการสร้างบุคลากรทางด้านนักดนตรีนักแต่งเพลงขึ้นมา ไม่คุณจะแข่งกับตลาตโลกไม่ได้คุณจะไปบอกว่าคุณจะไปบอกว่าจ ะ, จะต้องแต่งตัวทําผมไปเหมือนกับนักร้องญี่ปุ่นนักร้องเกาหลีมันไม่ใช่มันต้องแตกต่างทําไมคุณบีเดอะสตาร์ถึงได้เป็นติดเรทรด์และครับเทรดใช่ไมงั้นครับที่สุนนักร้องที่ดังพี่สุนนักร้องเพลงดีที่สุดในประเทศจีนก็เพราะว่าเขาพิสูจน์แตกต่างกๆๆๆ็เป็นตัวของอตัวเองเป็นการแตกต่ัง แลมีการที่แตะขาดแมีส่วนนี้เองที่มอกว่าเรื่องการศึกษารศึกษานี่เองก็ปลุกปั่นต่อในเรื่องของสิทธิก็เพิ่มกฎหมายเข้าไปนิดหน่อยยังเองก็เป็นอาจารย์สอนที่ารกฎหมายกฎหมายอะไรประกรบคณะนรยานก็มีรองอธิบดีไปสอนที่ตัวอย่างที่มหิดลเราก็ช่วยกระจายความรู้กนมากไปเนี่ยสิทธิตรงนี้เรื่องที่สําคัญที่คนจะต้องรู้นะคะเนี่ยในอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าจะมองไปถึงแล้วเนี่ย กเนะว่าการที่ความร่วมมือในอุตสากรรมนี้เองที่จะเป็นกระดที่สำคัญคุณบอกว่าณวันนี้ถามว่าวิวัฒนาการของโครงการเองมันเปลี่ยนไปไหมสื่อที่ออกสู่ตลาดมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่ B C D D V D กูเร่แร็มันขึ้นไปส่วนวบพทเศษหกสิบ6ี่ส 6, 10, 4, 10. ตามที่ไอเทบอกมา ในที่นี้คือ60คืออยู่ที่พื้นดิน40มาอยู่ในหาาัวใจกฎหมายเป็นการไล่ตามเท่านั้นนะคะปัญหาการละเมิดเด็กเช่นยอมรับว่าเป็นเหมือนกับหนอนที่ชอนชัยให้ทําให้ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยผันทาแต่เราจะอุดหนอนนี้ได้อย่างไรนะคะในส่วนตรงนี้เองต้องเรียนว่าประการที่หนึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนของสียมย อ, กกอนุญาตเรากำลังแก้กฎหมายถ้ากฎหมายริเริ่มแบบนี้ออกมาเป็นการตุ้นคลอง ในเรื่องการที่ิดตัวบนอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นสำคัญที่นึ่ในส่วนที่2เรากําลังทาในเรื่องของที่มองว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่การคุ้ครองในเรื่องของการป้องกันการละเมิดพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตเท่าไรเราก็จะจัดการกับไอ้แค้ในลักษณะที่ผููที่เป็นเราใช้กฎหมายเรื่องขอกฎหมายแรงงานจารีตที่อยู่ในมาตราในกฎหมายข้อที่เกี่ยวกับ นั่นคือส่วนที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นรักหมายยนตามคุดนะครแต่โดยข้อที่จริงจริงจแล้วเนี่ยมันต้องสร้างที่สําคัอให้ฉันถามว่าในห้องนี้เนี่ยใครไม่เคยดาวนโหลดเพลงบ้างไม่มีคนยกนิ้แสดงว่าทุกคนดาวโหลดไม่เคยดาวนโหลดไม่เชื่อดีฉันโหก็ไม่พูดก็โหลดเสียตั้งโหลดฟรีไงใช่ไหมครัทุกคนเนี่ยนะฉันเชื่อว่าก็ดาวโหลดกันทั้งนั้นแหละ ไม่ต้องเพราะว่ามันสื่อมันวิวัฒ น, นาการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอุตสาหารกรรมเพลงต้องใช้ช่องทางเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสหนึ่งที่คุณบอยทำนะฮะตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ฉันบอกได้เลยว่าในส่วนของภาครัฐในแง่ของพเพอร์ซิฟคโนโมอเรามองว่าเพลงเป็นหนึอุตสาหกรรมที่รัฐต้องสนับสนุนแต่หน้าวันนี้เพลงเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเพลงกำาังประสบปญ ทุกคนคิดว่าเพลนกำลังดูวทุกคนไม่มีใครมาสนใจเลยในศุตสากรรนะคะถ้าดูแต่ตัว GDP ขื่นไปกังแหญ่เลยแต่ถ้าหากมาถึงเวทีนี้ฉันก็บอกว่าถึงเวลาหรือยังท่านทั้งหลายท่านจะรวมกันทําหนังสือถึงรัฐบาบอกว่าเอาหน้าสถาบังศุตษาสํารเพลงขนอยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายนะคะคืเกษตรารสสารแห่งชาติในวันที่เมษาถ้าทำหนังมือไปก่อน ดิฉันจะเอาเรื่องนี้เอาละเดี๋ยวร่างังสือก็เซ็นแล้วคนวได้เลยด้วนะครับท่านนายครับดิฉันคิดว่าให้รู้ถึงปัญหาว่าปัญหามนตรงไหนต้องการให้รัฐช่วยอย่างไรักเป็นแต่เตียงผู้สนับสนุนนะคผมมีอีกปันหนึจะถามท่านนายกครับในต่างประเทศนะฮะเราเห็นบทบาทของภาพกลางนะฮะไม่ใช่ในเรื่องของการปราบปรามเฉยแต่การพยุและกดันมาตรฐานเพด้วย ผมยกตัวอย่านะครับเรนนักร้องที่รู้จักนะครับเรนนักร้องที่เรารู้จักไม่สามารถไปแสดงคอนเสิร์ตที่อเมริกาได้และโดแบ่งฮะเพราะว่าลิปซิงเกิน25เปอร์เซต์ตอนนี้ที่จีนนะครับถ้าคุณขึ้นไปแสดงลิปซิงคอนเสิร์ตนั้นคุณเก็บตังค์ไม่ได้เป็นเรื่องมาตรฐานแล้วแล้วเข้าใจว่าตอนนี้เกาหลีนะฮะถ้าที่ผมทราบนะตอนนี้นะมีการกําหนดได้สร้าบไปว่านะฮะตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่า ไอ้บอยแบนด์เกอร์นด์เยอี่นะฮะมันจะเริ่มมามากจนไปแล้วจะะลตลาดนะครับ <_ d ream> เขาจะเริ่มมีการพิจารณาและกำหนวันะะว่าจะทําอยังไงนี้ตรงนี้เป็นเห็นเท่าทางท่านนัตพิริบอกว่าจะต้องร่วมมือกันนะระหว่างภ า, นนาครัฐกชนภาครัฐภาคอุตสาหากรรมที่จะสามารถร่วมมือกันเพื่อจะถังและพัฒนานและพยุงอุตสาหากรรมต่อไปข้างหน้าไดา้ด้า น, นท่านนัตพิริมีความเห็นในเรื่องการสร้างมาตรฐานภาครัฐนี้อย่างไรครับ ความแล้วนี่ยนะคะในส่วนนี้เองมันไม่มีกฎหมายขีดไว้หรอกนะคะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะทำมาตนการแจกสาขาจําเ็นขึ้นมาก็สามารถจะทําได้โดยภายใต้ใปวามร่วมมือขึ้นมาก่อนนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนอ้เรื่องนิดละกันนะคะยกตัวอย่างเช่นมวยไทยตอนนี้คนเปลี่ยนชื่อเยอะแยกไปหมดเลยนนนมวยไทย ถามว่าจะสร้างมาตรฐานบวยไทยทั่วโลกนี่ยังไงที่เปิดขึ้นเป็นมื่นมือแห่งทั่วโลกเนี่ยให้เป็นมาตรฐานได้อย่างไรเราก็บอกว่าคุณต้องทำเซอร์เทนติเคชันมาไปติดคุณถ้าทําทได้ตามม า, ต ร, าตรฐานตรงนี้เราจะติดอันนี้ให้แล้วประชาชนบอกนี่คือมาตรฐานของของบวยไทยแต่ถ้าถามว่าเพลงถ้าไปบอกว่าจะต้องนักร้องมาติดป้ายมาตรฐานอย่างนี้มันก็ตลกใช่ไหกคะที่จะใช้เซอร์เทนติเคชันมา มันคงต้องมีอย่างเดียวคงต้องมาบริการ น, นะครเพราะนักร้องบางคนก็ทะาร้องคนเดียวเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวร้องกี่เพลงจะพอใช่ไหมครับสี่เพลงจะใช้ใรึเปล่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วดีฉันก็ยังมองเห็นว่านักดนตรีเองเป็นโอกาสดีของคนไทยที่จะก้าสู่ตลาดจีนเพราะจีนเนี่ยยีสต้องให้ต่างชาติเข้าไปเผยแพร่งานปกงานเพลงงานหนังได้ ถ้ า, ากํากลังลดเปอร์เซ็นต์ของเคป๊ลงเขาไม่ต้องการที่คนจีนมีเป็นเคป๊กันมองเขาก็ออกประเทศต่างแจ้เข้ามาไทยคือหนึ่งในประเทศนะั้นนะคะที น, นี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้เนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไท<า>ยมีของนะคะเราคงถ้าจะทำมาตรกานตรงนี้ต้องหารื่กันก่อนให้ตกลงกับทุกคนว่าจะทำลิขซิทธ์ได้เท่าไหร่ถ้าตุ้มตีพอมีก็ให้มา จากสถาน ก, การณ์เศรษฐกิจสั้สนๆอะไรทํา น, น้องนี่แหละครับคือตอนนี้เนี่ยนะคะประเียนว่างบไทยเข้มแข็งมันจบไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันถ้าหากก็จะทําเดี๋ยวตกลงกันว่าจะต้องเป็นการขอเข้ามาสู่ในเรื่องของงบประมาณก็ตอนนี้ก็ทราบวันในวงการเรนที่มีการยื่นโครงการเข้ามาและเช่นกันนะครับพวกนี้จะมีการพิจารณาคัดเพื่อจะเสนอของงบปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะนั่นคือในส่วนที่จะดำเนินการ แต่ก็เรียนว่าจะเอาปัญหานี้เข้าไปนะคะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญทั้งหมดการทำมาตรฐานเนี่ยเราเริ่มได้นะคะถ้าไม่มีใครอยากจะเป็นแก้นช่วยทำให้เป็นช่วยเกมแก๊งนี่ก็ได้ในฐานะข้างราชการที่ดูแลเรื่องงานลิขสิทธิ์เอาละพวกเรายกมือขอบคุณท่านหน่อยเถิดเราได้แล้ว เราได้แล้วไปตำปิดปิดธรรนนาได้แล้วเนี่ยไีาปากแลเนี่ยดูแล้ ว, ว่าอาจารย์เรีเรการเชิญมาทำไมไม่ได้เป็นรชาชการอีกคนเีย <c oughs> วแ้บอกว่าเนี่ยเป็นราะว่าพี่เนี่ยดูที่กรมทัพสินด่ดูเรื่องลิขสิทิ์นะคะวันนี้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพียง แ, แค่เก็บแค่เพียงเปิดในร้านอาหารเท่านั้นวันนี้เราเชิญสปเกร์เป็นปรับมาจากโครงการทรัรย์สินทางวยาโรก มาพูดเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงบนอินเทอร์เน็ตมันก้าวอีกสเต็ปนึงแล้วนะคะเนี่ยสั่งออกมาเปิดงานที่อกาันนี้เลยะคะ่ะสุดยอดสุดยอดถ้าเรามีความ<อ>บังคับขอแซ่ท่านอระทึกครัะดีที่<ต> ว, วันนี้คือผมชอบพูดในมุมความจริงผมไม่ชอบพูดในโลกอุดมคติวันนี้เนี่ย ก, การจัดเก็บสิทธิ์เผยแพร่เอาให้มันถูกต้องเอาก่อนตรงนี้แหละฮะมันถูกก่อนจะพึ่งไปไกลกัน ขอผายที่ผม <c oughs> คือวันนี้มันเก็บกันฝุ่นประหนกเลยคนประกอบการตายนะฮะเดี๋ยวแอมมี่ไปเก็บเดี๋ยว RS อไปเก็บเดี๋ยว อ, อของจำรัดของชัวรอดีโอของหยุยสิบกว่าเจ้าไปเก็บนี่สิบเจ็ดเจ้า <c oughs> แล้วยังจะไปทางบนอินเทอร์เนต็ตตาย <c oughs> ไอ้ที่อยู่นี่ แต่ต้องกลัวไม่ได้นะฮะแต่ต้องยอมรับนะครับเพราะ 3G มันจะมาแล้วมันจะมาเรื่ยขึ้นด้วยนะฮะถ้าบอกว่าถ้าเราไม่เริ่มจับตรงนี้นะครับเกาหลีนะครับผมเตือนอีกทีนะปีหน้าหนึ่งกิกะไบต์ต่อเซกนะรแรงมากเพราะฉะนั้นต้องวางอปุปสรรคสับเต็แล้วครับเพียงกรอนให้ทางากรมเนี่ยออกพอรบให้สอำเร็จก็แล้วครับซึ่งผมคิดว่ายาก เรียนนะคะในส่ uh bidding, Gün, mean, วนที่หนึ <t <t <t oh ่หม um yeah, ือะการการองค์กรณการจัดเก็บนะคะเรากําลังร่างขฎรเเบียบโดยที่จะต้องมเกีรตรวจสบฐานลิและกาหนดเกณฑ์สำหรับนักบินที่ไปปราบละเมิดทั้งหลายเราได้มีการแก้ประกาศนะคะตัวแทนเรียบร้อยแล้วะในการปราบปรามการละเมิดตอนนี้กําลังเราเรียกว่าทําประชาสัมพันธ์ให้คนได้ทราบเดือนหน้าเราจะมีสัมมนาใหญ่สําหรับบรรดา ตัวแทนจัดกเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะคะต้องการที่เพราะเราพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่เป็นคนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มากขึ้นน ะ, ะับดิฉันบอกคุณดิฉันอยู่เรื่องลิงขสิทธิ์องค์กรจัดเก็บระบบการจัดเก็บค่าลิกสิทธิ์เนี่ยนะคะดิฉันเป็นคนแรกที่ทำถามดูทั้งหมดเลยะครับบอกได้เลยว่า ประเทศนี้จัดกเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้เนี่ยขณะนั้นทีฉันเป็นผ อ, อสำนักลิขสิทธิ์นะคะตระเวนอธิบายทั่วประเทศนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะสิทธิของบรรดา น, นักร้องนักแต่งเพลงหรือว่าค่ายเมื่ามเนี่ยเขาต้องได้ตรงนี้นะคะแต่เพียงแต่ระบบบ้านเราเนี่ยคือต้องเรียนว่าประเทศไทยไอยู่อย่างไทยไทยมันค่อยเป็นค่อยไปมันหักซ้ามค้าด้วยเถาไม่ได้ เขาเคยมีไรายได้กันมาปีหนึงเท่านั้นเท่านี้เท่านู้น น, น, น, นะครับวันนี้บอกว่าหยุดเก็หรือองค์กรเดียวนะครไม่มีใครรับได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถามว่าภ้าแาบ น, นี้เนี่ยมีกี่ค่ายที่ประสบความสําเร็จดิฉันตอบว่าแค่5บริษัทเท่านั้นนะคะนอกนั้นเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จแต่ใช้ตีกินเฮาใช้คำอย่างนี้ก็ตีกินคือจับวันศุกร์ คลี่ค ล, ลีกิขิตยอมความกันได้จ่ายก่อนสองมือถ้าไม่ไก่2องหมื่ก็เอาคุนอนในมุ้งใส่บัวมุ้งใส่บัวนี่คือตารางกเต้องงั้นตรงนี้นะะับชนบอกว่าเช่นเพิ่งกลับมาจา ก, กลับมาจากการเลิ ก, ลกดูลิขิตเลิกดูลิขิเคือจะไปดูเรื่องเครื่องหมายการค้าอลไรมาหลายปีห7เจปีพอกลับมาเนี่ยก็หันมาดูทันทีว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็ใหญ่แล้วนี่วันในกรมใช่ไหม เราก็วางระบบได้ตามระดับคามสัญตามรับที่เราได้รับไปแล้วคือนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเรามองว่าจะทําให้ประเทศนี้เนี่ยนะคะใช้งานลดนตรีจะเป็นทําได้อย่างไรงานเพลงเป็นสิ่งสวยงามไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจสําหรับคนที่ว่าเิดเพลงฟุ้งุดมจากปั๊บไปรอซื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจเป็นสิ่งที่สวยงามเราไม่อยากให้คนรังเกียจเสียงเพลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จัดระบบกันที่ดี ก็ถึงเวลาแนละ้ว น, น, น, นั่งจำนวนได้หนึ่งสองสามสบเมื่อเช้าะะ <c oughs> วันก่อนกีกี่ท่านนะคะองยากรอีกนั่นแหละเราก็มาร่วมกันเลยมาวางระบบกมาคุยด้วยกันนะคะทำให้เกิดองค์กรจัดเก็บเนี่ยนะคะที่ฉันเชื่อว่าใหม่ๆได้ห้าห้าบริษัทนี่นะเก็บได้นะมันไม่มีปัญหาหลายประเทศที่บริษัทแข็งๆก็มีนะคะทีฉันบองว่ามันไปได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องฝากวันในวิชั้นมองว่ารักบางคนก็เป็นนักแต่งเพลงนะใช่ไมักร้องต้องฝากนักแต่งเพลงดนปรเีรุ่นใหม่อย่ากให้มีความรู้สึกเหมือนท่านที่ว่าดีขึ้แล้วเรี่ยกนักแต่งเพลงใจแห้งหรือก็เต็มไปเลยเลยไม่ได้คิดอะไรเทคนิคนะคะฤลธิ์กระติ๊ของท่านได้อยู่กันนานนะอยู่ท่านตนท่านตายนะก็ต่ออี้าสิปีนะหากินได้เป็นครูเงื่อนลูกหลงเงือรวยก็เพราะอย่างนี้แหะค่ะ ท่านครับเดี๋ยวจะลงความเป็นจริงนะครับโอ้าหโอ้โหโ้โแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีใครบ้างที่ได้สิ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณได้ไหมครึ่งเดียวแล้วครึ่งไม่จริงด้วยอ้าวอ้าวอ้าวจะทราบผมจกอธิบายให้ฟัง <c oughs> เรองนี้ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยกับ AS Promotion นะฮะ คนละคลื่นดิสก์เสียงร่วมแต่ไอเอเอามาทําเมื่อไรก็ได้ให้ร้องคนไหนร้องเมื่อไรก็ได้ในขณะที่ผมจะเอาเพลงของผมเนี่ยซึ่งมันเหมือนลูกผมเนี่ยออกมาจากหัวผมเนี่ยเอาไปให้ใครรอ้องไม่ได้ไม่ได้นะครับถามเพื่อนผมเนี่ยโด น, นก็อดกเหมือนกันผมว่าอันนี้ <c oughs> ลองคุณเต้งลองฟังทางที่ฉันอ่านีกีการนะผมมอกว่า สิ่งที่ท่านทัศนีพูดออกมานะพูดมาโดยไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเข า, าบอกนะเป็นสิ่งที่ท่านทัศนีพูดตกงนี้มีส า, าข้อกับเราหนึ mm hmm. น่งคอมมิชคุณต้องพูดจากันเมื่อคุณพูดจากันเข้าใจกันคุณสามารถตกลงก mm hmm. แล้วการพูดจากันเข้าใจกันตกลงกัาานได้มันจะเกิดความหว่าในการสร้ า, างความหวันะ motivation แรงความาแรงจูงจในการสร้าง และขั้นที่สาเมื่อเกิดแรงจูงใจในการสร้างนั่นนะรเราจะได้เกิดไอทีหรืออินโฟเมชันนะครับผมคิดว่าสามสเตจนี้ท่านเด็กดีได้พูดหมดนะครับแต่ประเด็นถ้าเราจะติดอยู่นะฮะท่านเด็กดีวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านรับบากนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นคนประสานงานให้เกิดคอมเมดีเทลชวตที่ดีใช่ไหมครับ นะและตรงนั้นเป็นสุขีนิดมากนะฮะแล้วถ้าเกิดการสื่อสารที่ดีที่เกิดขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าความบั่าของวงการดนตรีผมจะดีขึ้นและผมเชื่อว่าผมคิดอย่างนี้เสมอครับเพลงดีคนดังและอย่าคิดว่าผมชอบสิ่งที่ทบอยพูดนะครับต้าแต่งเพลงพเพราะเพงเมื่อไรเรา แ, แต่งเพลงเพราะโลงวันันเองนะครับ ทีนี้ก็ได้อยากจสรุปตรงช่องท่องนี้ไน้ก่อนะนะแต่ท่อนขอไปนะเดี๋ยวจะขออีกักรอบแต่จะเป็นคําถามเดียวกันนะครับนะแต่ว่าคนสุดท้ายท่านเข้าไปอยู่โงการนี้นะฮะพร้อมๆกับผถึงแม้ <_ c oughs> ท่านนาจารป็ผมนะขอมัทิติลัสครับยืนยันครับท่านทำทุกอย่างเหนือวงการเพลงแล้วยกเว้ น, นการขายเปลงเพราะฉะนั้นผมอยากให้มุมมองของคนที่ไม่ได้ขายเปลงมองว่าปัญหาของเปลงที่จเจ๊ง ผมว่าประเด็นที่เราเคยกันเนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับแต่เราคุยกันละลายเพื่อที่เป็นเรื่องของตัวเลขในฐานะที่เป็นตัวแทนคนฟังนะครับบางทีผมไม่สนใจว่าบุฟเฟ่ต์เป็นยังไงนะไม่สนใจว่าจะมีให้ฟังสักกี่กน้อยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราฟังอะไรกันนะครับ มันเป็นความขัดทัดกันใจนะครับผมเป็นสื่อตอนนั้นที่ผมเป็นนู้สึกษาเศรษฐกิจนะครับเรียนเนศ ร, รษฐศาสตร์นะแล้วก็มาเป็นต้นนิติบัญญัติลักดันเพลงผมทำทุกอย่างที่พยายามจะผลักดันเพราะเห็นว่าคนที่เป็นคนตีตัวจริงเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกน้อยมากย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราคงปิเสธไมได้คําว่าทาเพลงใ ห, ใหญ่ก็คือทายเพลงระมีหนึ่งนะครับไอเนหนึ่งเนี่ยเป็นเสาวรัก ของวงการเพลงของอุตสาหกรรมเพลงในขนาดนั้นแต่เสาหลักเนี่ยมันก็มีคุณค่าในการดำรงอยู่ผ่านการเวลาขอวันนะครับแต่ว่าผ่านไปเนี่ยลหลายๆายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในโจทย์ของค่ายนั้นๆเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการสแสดงออกอย่างไรผมเองก็ได้คุตยติดต่อนะครับว่ามาสเตอร์ช่วยเงินจะต้องใช้กันเป็ น, า น, า น, าปนลานในการทํำไหมนะครับว่าเพลงป๊อปเนี่ยจะว้องอยู่ในห้องอัดเป็นลหลายๆเดือนหรือเปล่า ชือจริการทําเพลงมีหลายๆรูแปแบบนะครเราอาจจะใช้เวลาเหมือนอย่า ง, ง, งที่ฝรั่งทําก็ได้ทุกวันนี้การทำไลน์มิวท์พอดดิ้งอาจเป็น2อสมวันก็ยังมีอยู่นะครับก็สามารถเซ็นเดอบั้มได้ต้นทุนในการทำอัลบั้มก็ไม่สูงนะเราก็คงจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของศักย์กำเพลงที่ย <c oughs> ุคนึงเราจะมี อ, อินดี้ออกมามากมายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ด <c oughs> ี <c oughs> มากในส <c oughs> <ๆ>่วนของผมในฐานะที่เป็นสื่อก็คือว่าผมทํางานเขียนเรื่องเกี่ยวกับเพลงมานานเนี่ยคนหลายจังหวงเนี่ย ทำไปดันงนั้นนะผมหาใครไม่ใครได้เลยพยายามที่จะหาเพื่อนสื่อมวลชนที่เป็นสื่อจริงๆนะครับทะยอนขึ้นไปก็จะมีครมาโ น, น, น, านทุตาบุญชิวาสอาจุทะด้านยุการจะมีพี่พ์มึกวิโรถพันธ์รสื่อมวลชนทนางด้านตตีหายไปไหนขณะที่นานแต่งเพลงอยู่นี้มีอยู่มากมายถ้าเราเป็สื่อมวลชนทนางด้านตตีที่เข้มแข็งเนี่ยผมว่าวงการเพลงก็จะเข้มแข็งด้วยผม ก, ก็กลับมามองเพรข้อจริงนะครับ ความเป็นจริงยุคดึงหนึ่งที่พี่ปอบอกว่าเราอาจจะมีโซเชียลมีเดียมีฟรมีเดียที่เราจะใช้ได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อยี่สกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นคอลัมนิสรับสตาร์เพื่อเขียนนะครับเราจะเห็นคนอูปการทีวีสื่อมวลชนตาดตัดนตรนีตรแต่รับเงินจากท้ายเพลงใช่ไหมฮะอาจจะเป็นลูกจ้างท้ายเพลงก็ได้ <S <S ผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยผมไม่เท้รกับวีหรือออแต่ผมมองว่า ทางการวิราอันเยสอาจจะมีส่วนทําให้สื่อมวลชนให้เต็มีซึ่งควรจะคัดกร อ, องงานที่ดีเพื่อบอสู่สาธารณชนเนี่ยแทนที่ทําหน้าที่นั้นอย่างมีความสนา ง, งานเนี่ยกลับกลายเป็นลูกจ้างที่เปิดเพลงให้ได้ฟังกันอันนี้มนันน่ารัวนะครับเมาาื่อไปเชนต์ุ่งเนี่ยเราจะหาใครครับทุกวันนี้เราหาคนหลังจากผมเนี่ยไม่มีคนที่จะทํางานตรงนี้ได้เลยที่ท่ากระทําหน้าที่บอกกล่าวสังคมว่าอะไรบ้างถึงเพลงที่ดี อันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วมันสะท้อนให้กับรายคนฟังบ้างคนฟังก็เริ่มเรียนรู้วัฒนธรของเพลงในยุคนึงนนเราเห็นว่าขายกันเป็นล้านอเมริกายังขาย ไ, ไม่ได้เลยครับเป็นล้านนะครับหลักหมื่นก็ได้นพันจีน้าได้โด่งกันแล้วใช่ไมับทำไมยังไทยขาได้โอเคเรื่องของสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนฟังเรื่งมหาศาลเรื่องทางเรื่องในการซื้ออัลบั้มซื้อสิซึ่งมีอยู่ไม่มากนะ แล้วจไงคนฟังก็เริ่มรู้ว่าระยะเวลาของเพลงมันจะมีช่วงเวลาที่สั้นลงวงจรชีวิตของเพลงมันสั้นลงคนฟังเพลงจากที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะต้องซื้อจะต้องตั้งนัาตั้งนาต่ากเก็บเงินเพื่อซื้อสื่อิที่ตัวเองโปรดก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราทำเพลงเพื่อตามใจคนฟังตามใจกระแสติดตามให้ทันให้พูดกับเพื่อนได้เพลงไหนดังฟังตามนะครับลักษณะของคนฟังมันเลยเปนลักษณะที่รอฟีดรอฟีดจาก คนที่ทำหน้าที่รับจ้างจากท่ายเพลงในการต้อนเพลงไปใช้นะครับว่าเมื่อไรจใช้เพลงฟังเหมือนกับเหมือนกับประสุกรณ์ที่อยู่ในกลมนะครับเป็นซูเปอนะร์ไซด์มีไปแล้วนะฮะมี้ฟังเยอะแต่ฟังอะไรก็ไม่รู้คําถามเรื่องสิ่งที่น่าสนใจคว่าเราจะสร้างผลฝังที่มีเกลื่อนได้อย่างไรเพื่อให้บริษัทกามีจ้าง ย, ยื่นขึ้นไปด้ยวยเรา m o n i t o เลขเยอะเลยตัวเลขมันอาจจะโอเคเรามีวิธีการตัดตัวเลขให้เข้าอัญดีได้นะครับ วิธีการอะลายวิธการที่พิคกิจได้พูดมาผมก็เห็นด้วยนะว่าเป็นเป็นช่องทางออกที่ดีละลายจุดของค่ายเป็นตื่พยายามไปหาสิ่งที่เป็นหรือว่าอะไรดีครับหรือว่าเป็นเรื่องของ collaboration อ่า collaboration เรื่องของ s h o w c a s เรื่องของอะไรต่ออะไรนะครับแต่คนฝังเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแล้ยิ่งตามมาเมื่อเจอกับ infrastructure ที่เราเจอหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจัดเก็บพลังงานเสงนี่การ เอาพัฒนคิดเรื่องลิขสิทธ์การเคารพต่อลิขสิธิ์เนี่ยมากลายเป็นสิ่งที่น่าตกลียดเปิดเพลงก็ถูกจับบางทีท่านทิพย์บอกาเนีซึ่งผมบอกว่าในเมืองไทยในโครงเศรษฐกิจหลต่อไปต่อไปก่อนี้นายๆคตนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาสารพันอยู่มากมายนะครับทั้งคนฟังเพลงแล้วก็ดนตรีแต่ผมเห็นหลายๆอย่างที่เป็นแสงสว่างที่ไปหวงว่าเราเป็นคนดนตรีที่มีความสามารถตัวมีคนรุ่นใหม่ที่รักดนตรีโดยที่ยินดีที่จะทำดนตรี ที่มอนพบอยคือนะว่าไม่ได้มีความโลภนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องการจะบอกการกับสังคมทําเพราะฉันรู้สึกทําเพราะฉันรักนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นทางออกที่ดีแต่สิ่งที่จะตามมาคือว่าผงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับคนเหล่านี้ผงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับว่าเพลงของคนคนหนึ่งที่แต่งเพลงได้อาจจะเป็นแค่เพลงเดียวในชีวิตของเขาแต่ถูกนํามาใช้ซ้ํทาระล่างๆเนี่ยทำอย่างไรเขาถึงจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมอันนี้คือประเด็นคนระับขอบคุณคนระับี่ มีสภาพนะที่คุณธนพูดภาพหึ่งคือแน่นอนาาการจัดการที่เป็นธรรมช่มคภาพที่สอผมคิดว่าที่คุณนพูดมดตัวเนะีเพราะว่าเรื่องการชางหลายลครั้งครั บ, บางททีกอจะขึ้น ม, มโดนทั้งผมเราทั้ตลอดว่าวันนี้อยากปวิชาการนะเนลยว่าคุณธนเตือนตลอดนะครับแต่ผมอยากจะเสนอเรื่องวิชาการสักนิดนึ่การาการับันร โดยเฉพาะไอ้เรื่องนี้เกี่ยวกับทางกตมทัพ์สิทางปัญ่าโดยเฉพาะถ้าบอกว่าสัานการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกเนี่ยนะเพราะว่าในเครดิตคอมมิวนีเนี่ยที่กล่าวไว้บอกว่าระดับการสร้างงานมีได้ถึงไน้หลายสิบระดับระดับหนึ่งคือเราเรียกว่าฟังชันหรือตอบสองการใช้สระดับที่สเราเรียกว่ามีเดยหรือสืะไประดับที่สเราเรียกว่าเป็นอาหรือเป็นสือระดับที่4เราเรียกว่าบรทเมีมีปัญญ คาเพลงที่สูงกว่านั้นทีน่อยูนนตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานยาหนึ่งะที่เราจะสามารถเปติกระดาษตอนนี้ที่ผมเห็นท่าชัดเลยครับว่าผมรู้สึกว่าเพลงเนี่ยในสมัยก่อนที่เรารู้สึกมีคุณค่าสุดเลยนะตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับสินค้าโอโทโภคและแวร์ลและคุณค่ามันตกลงไปเรื่อยๆเรพราะเรารู้สึกมันเป็นแค่เสียงที่แยงมอูทําให้ไม่เหงาเานั้นนะแต่ถามว่า และในการสร้างสรรค์ให้เมือนไทยนะครับพาเอาศาสตรการดนตรีไทยนะี่จะเริ่มขึ้นไปนะฮะจนกระทั่งถึงคําว่าโรเตชหรือว่าเป็นคุณค่าทางปรัชญาที่จะสอนลูกสอนหลานโดยใช้ไปเป็นคุณค่าของเพลงนี้มีบ้างนะครับและจะต้องการความหุ่นอยน่างไรผมคิดว่าที่นั่งจะอยู่เป็นโต๊ะนะครับผมจะพาําถานเดียวกันนะครับขออนุญาตผู้บยยใหญายทั้งหมดพร้อมพร้อมกันในต้นและแบ่งตามจังหวัดที่ผ่ายอยากจะเสนอขึ้นมานะครับคือ คุณพวกเราต้องการต้างฝ่ายเ น, นีผมคิดว่าทางรัฐ บ, บาลก็เป็นส่วนทางรัฐไม่ใช่ว่าเรื่อง้่ายครับเพราะทางรัฐ ก, ก็ยัยงมีรัฐภาคอีกหลายองค์ประกบครับที่จะต้องขอความร่วมมือด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเช่นกรมสั้างสีปัญญากับไอซีทีปักากรมสิ่งสีปัญญากับกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่ า, า, าหรือรอื่นที่จะต้องร่วมมือกันจะผลิตอออกมาได้นะแล้วภาครัฐจะขอภาครัฐด้วยกันเองหรือเปล่าเพื่อขอความร่วมมือือไมข้อสำคัญต่อไปคือภาครัฐจะขอเอกชนอะไรบ้าง เพให้เกิดความร่วมมือเอกชนจะขอความร่วมมือจากเอกชนอย่างไรกันบ้างเพื่อให้ยวกับการพัฒนานะครับและเอกชนจะร่วมจะขพออะไรจะผ่านไปเรื่องอื่นนะครับนะไม่ทราบคำถามซับซ้อนไปบ้านะครับแต่ทั้งหมดก็คือว่าคุณในฐานะผู้ปัญญาท่านนะฮะท่านอยากจะได้อะไรจากใครในความในรูปแบบความร่วมมือกันเดี๋ยวเริ่มที่ใครดีกวอาครับอ่ะ พี่บอยพี่บอยตอนนี้เปลี่ยนผมขับติงซ <c oughs> ึ่งลึกตะเจียีบอยเจ้าอน่อีน้อง น, นะวันนี้เสียสละให้ขับติงพูดเถอะเาคุณมากนะ้อีนอนคือเมื่อกี้หลับ <c oughs> เมื่อกี้หลับเมื่อกี้หลับมันยากจริงพพูดอีกทีได้ ในฐานะที่ที่เลิฟอีสเป็นเลิฟอีใช่ไมครับแ่เลิฟอีต้องการความรู้โดยจาการัและภาพผู้มมนชมนยังไงคือภาากรัเพื่อจะทาให้เพลงของเลิฟอีเป็ น, นวน่าคลิปานะอใส่ใสับไม่เคยไม่แน่ใจคือผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าจะขออะไรบ้างเดี๋ยว ขอคิดก่อนใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคําถามที่ซับซ้อนมากนะคคุณบอยคงแต่ว่าเมืี้จากฟังจากหลายๆท่านแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเร า, า, เราอยากจะพัฒนาวงการเพลงอุตสาหกรรมเพลงอย่างสร้างสารรค์เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องมาคิดร่วมกันนะครับดี๋ยวไปมองว่าอันนี้เป็นค่ายอันนี้เป็นนักแต่งเพลงอันนี้เป็นศิลปินอันนี้เป็นสื่อ นะครับพระต่างหรือผู้บริโภคหรือคนฟังนะครับยื่งทุกคนเนี่ยมีส่วนหมดเลยที่ที่ฟังมานะครับบางคนก็โทษแฟนเพลงบ้านเราเหมือนกันจะเคยได้ยินบอกว่าเด็กๆกหรือคนฟังเพลงบ้านเราเนี่ยฟังเพลงทางตาก็ได้ฟังทางหูแปลว่าเรดูรูปร่างหน้าตาเราไมไ่สนใจเรื่องของสดนตรีภาพหรือเมโลดี้หรือว่าเนื้อร้องหรื อ, อะไรสักเท่าไหร่นี่มันก็คือถ้าจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่จบนะก็โทษกันไปโทษกันมาผมคิดว่าเราก็คงไม่ได้ มีการพัฒนาอย่างที่เราอยากจะเป็นผมคิดว่าทุกคนมีบทบาทของตัวเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยต่อให้เราเป็นค่ายเพลงอินเตอร์เนี่ย เ, เราก็เริ่มที่จะคุยศิล ป, ปินไทยนักแต่งเพลงไทยก็เริ่มเดบิวต์เรา เ, เพลงไทยขึ้นมาเหมือนกันนะครับอย่างรีวิวขอเ์ดหือว่าศิล ป, ปินนอื่นก็ดีเนี่ยเราก็จะพูดเสมอว่าใครถนัดด้านไหนเนี่ยก็ทําด้านนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าให้ผมไปร้องเพลงเนี่ยอาจจะร้องได้แต่ว่าดีไหมครับ คือไม่อยากไปแย่งแย่งงานนักร้องนะครับไม่ใช่ครับก็คือถ้าไม่ถนัดเราก็เราทําสิ่งที่เราถนัดดีกว่าแตนะครับอย่างผมบริหารค่ายเพลงเนี้ยเราก็มีหน้าที่มองว่าทํำยังไงนะครับจะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ฟังนะครับถามว่าผมจะไปบอกได้ไ้มว่าเพลงเนี้ยคุณต้องชอบถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วผู้บริโภคเหล่านี้เนี้ยมีสื่อมากมายไม่ต้องรอคุณรักมาเขียนในะคอมเมนต์ก็ได้เขาเซิร์ชจะเจอละหรือเขา YouTube ก็คุยกับเพื่อนเขาอยู่ใน Facebook เขาก็เห็น คบเพะนั้นเพราะฉะันเนี่ยมันก็มีมีมหลายมุมมองมีเพราะฉะนั้นแต่ละค น, นคิดว่าน่าจะทำจุดที่ตัวเองถนัดนะครับนลกแต่งเพก็ทาไปแตคราวนี้ผมก็ยังเชื่อว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยมีส่วนสาคัญถามว่าค่ายสาคัญไหมบาคนบอกว่าค่ายหมดหน้าที่แล้วตายแล้วผมก็ขอเถียนนะครับเถียตัวนี้เพราะว่ามนันมันเป็นความจริงศิลปินผมหลายคนเกิดจากยู u ูบนะคะนรับจัสตก็ดีโคคาเลหรือรุมดินายของคนบอยเกิดจาก youtube ทำไมเขาต้องมาหาทายก็แปลว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ช่วยเหลืออยู่ศิลปินเขาก็อาจจะอยางหนังเพลงอย่างจะร้องเพลงเขาไม่ได้อยากมาคิดโมเดลบูฟเฟ่หรือว่าจะมาหาสปอเตอร์ที่สุดวเขาเองเขาก็ต้องหาคนที่มีความถนัดด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดเข้ามาช่วยเขาอันนี้คือรูปแบบที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือการอยู่ร่วมกันอย่างดีทีนี้เนี่ยถ้าจะพัฒนาต่อไปเ่ผมก็คิดว่า ทุกทุกคนก็มีบทบาทภาครัเองก็มีบทบาทเยอะนะครับที่มี้ามเรื่องของ regulation จะบังคับมากไปว่าห้ามเ i f t i n g เกินเท่านัทีเปอร์เซ็นก็นอาจจะไม่ได้ทันทีแต่ก็มีประเด็นนะครับศิลปินเกาหลีนะครับทําไมเขาดังไม่ใช่ใหล่อสวยอย่างเดียวเห็นศิลปินเกาหลี l i f ซิ n g สักกี่วงที่ขึ้นมาผมทางนะครทั้งร้องทั้งเต้นเสียงไม่มีตกนะทำไมทําได้ครับไม่ต่ากว่าสามปีที่เขาเทรนทุกวัน ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนะครับแต่ว่าบ้านเรานะครับก็ก็คงเห็นกันอยู่เต้นเต้นเต้นริบิงนะครับอันนี้แฟนเพก็ไม่ได้ว่าอะไรแฟนเพก็ก็โอเคแล้วแล้วค่าผิดไหมนักร้องผิดไหมผมตอบไม่ได้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นไปนะเพราะฉะนั้นภาพร้านมีบทบาทเยอะเมื่อกี้เราคุยกันก่อนขึ้นสัมมนา เรื่องของ piracy เรื่องของสำคัญมากนะครับเกาหลีเองนี่เขา protect industry ของเขามีคุยกับยี่ตีนะครับผู้ผลิตคอมาิวเร์เยก็ไล่ฟังว่าเกาหลีเนี่ยโหลดเพลงผ่านมือถือเนี่ยต้องผ่านมือถือหรือระบบเขาอย่างเดียวซึ่งผู้ผลิตมือถือจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่แล้วก็ทำงานรวกับภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันใครโหลดเถือนผ่าน broadband internet ซึ่งเกาหลีเป็นประเทศที่มี broadband penetration สูงที่สุดในโลก ไม่สามารถหลอดผีได้คุณหลอดผีสามครั้งคุณบดสิทธิ์ใช้ท่านเด็กตลอดชีวิตนี่คือหมายถึงคนทำไม า, า่ไม่ใช่องค์กรงั้นภาคไรก็มีบทบาทสื่อก็มีบทบาทนะครับสื่อก็มีบทบาทที่จะแนะนําว่าเออฟังเพลงอย่างไรมหาอะไรก็มีบทบาทที่จะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักฟังเพลงมีสร้างาสัมพนธ์เอาเลยคุณรอดท่านอธิการนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่นเลยครับก็ <laughs> ขอฝากท่านท่านอธิการ น, น, นะครับก็คืคอน่าจากเรื่องของ music appreciation แล้วเนี่ย เรื่องของ v a l a t i o n หรือว่าการ respect หรือว่าการเคารพสิธิ์ของคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกับเยาวชนไทยนะครับค่ายเพลงก็อย่างที่เรียนนะครับเราก็หา business model ที่หลากหลายอย่าง Universal Music ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกว่า music s t a t e physical ตด digital ก็ยังไม่ recover ได้ทันแต่ว่าเรามี business model ใหม่ๆเช่นทำพันธมิตรธุรกิจกับแบรนด์อื่นๆใช้ m u เนี่ยเป็น เป็นคล้ายๆเป็น Marketing Tool อย่างหนึง่งที่จะช่วยเสริมให้แบรนด์่ังๆอย่างรถยนต์หรือว่าแบง์หรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรก็ดีเนี่ยสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเขาได้ถามว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การดานเยียดอะ่ะเพราะถ้าศิลปินไม่ดีไม่ดังผู้โภคไม่สนใจมันก็จบอยู่เหมือนกันงั้นค่ายอย่าง Universal Music เนี่ยต่างจากค่ายอื่นตรงที่ว่าเราเราเชื่อดีว่าเรามีหน้าที่ที่จะสร้างศิลปินใหม่อยู่ตลอดเวลา ก็คือการ breaking artist เนี่ยเป็นเป็ น, ปนหัวใจสำคัญโลกคงจะหยุดที่จะฟังเสียงใหม่ๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซาวด์ใหม่ๆเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราเชือ่อครับทุกเจ้าก็คงจะเหมือนกับทุกๆคนที่พูดมาในวันนี้นะผม ค, คิดว่าทุกคนเห็นเหมือนกันแล้วก็ชี้ประเด็นต่างๆในแต่จากแต่ละมุมมองเข้ามา แต่ผมว่าอยากจะให้ให้ให้ให้ทุกคนได้เห็นแม g กนิจูดของเรื่องลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเท่าผมคิดว่าคนพิเศษก็น่าจะรู้ว่ามูลค่าของของการละเมิดทรัพย์สินทางัญามันใหญ่กว่ามูลค่าค้ายาเสพติด้อยเท่าผมให้นึกอย่างนั้นเลย ว่ามลลเราลมิอทรัพย์สินอุญกรณนี้ทั้งของกอ๊อฟเพลงหนังเครื่องหนังเครื่องสำอางอะไรก็ตามเนี่ยมูลค่ามันใหญ่กว่าขายยาเสพติดนะครับแล้วเม็ดเงินที่ที่ละเมิดตรงนี้มันก็ไปฟัน ฟ, นฟายแนนซ์อ่เขาเรียกว่าอะไรอจจะไรอกนรรมอื่นๆเยอะมากนะครับ เนี่ยผมอยากให้เห็นแม็กซ์ดจดก่อนนะครับแล้วก็อยากให้เห็นความซีเรียสของของอิชูเนี้ยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถ้าเด็กรุ่นใหม่บอกว่าเฮ้ยคิดไปทำไมเดี๋ยวรอก๊อปเขานะครับข้าวไทยจะแพ้เวียนานาอีกสามปีข้างหน้าอี่แล้วขายอะไรครับจากนี้ไปเมืองไทยขายอะไร เรื่องใหญ่ผมผมผมพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นมีพูดอีกครับผมว่าโฟกัสมันเพื่อนๆนะเราเราพูดเรื่องอุตสาหการเพลงที่เตรียมมาคงไปเรื่องอุตสาหกรรให้เพลงแต่มันเหมือนออกไปทำเรื่องส่วนเล็กๆในจันทรนั้นสสินทางปัญญาบ้างเรื่องปัญหาชีวิตของคนแตเพลงบ้างหรืะไรก็ทำเรื่องว่าผมก็ว่าจะขอคุณให้ขอทําให้คุณฟังเจ็ดร้อยเพงนะ นะคแล้วในเจ็ดร้อยเพลงมันก็มีคนชอบมันไปตามเรื่องของมันอ่ะผมคิดว่างานอาร์ตเป็นเรื่องปองัจเจกบุคคลนะคิดว่าจากคนต่างชอบไอ้ที่อัดๆออกไปแล้วไม่ชอบก็แจงเองอ่ะต่อไปเป็นการมีการดิร้นกันเองทํามันหวนะ่วยนะครับเ่ยนกับการขอภาพรัฐเนี่ยเบินผมไม่อยากขอทิป่ปรับอ่ะพอขอ ก, ก็ช่วยผมเยอะและ้วเปิรนภาพรักที่อยากขอไมได้มาเลยวันนี้ภาพของการบังคับใช้กฎหมาย นะคที่ไม่ทําตัวไปพูดและเมื่อเสกปัญหาใหญ่ของโตของกฎหมายบ้านเราทั้เรื่องโครงสั้ต่อกฎหมายจะบอกด้วยว่าใว้ไปอย่าออกถือเลยมันมงงคิดออกยิ่งงงนะครับตัวอย่างเช่นกฎหมายข้อหนึ่งที่เรื่องของการขาย VC ซที่เป็นข่าวคุกโคลมาตารวจไปจับแล้วมันคายเจลหน้าเลือดตํารวจนะครับท่านประธานกฎหมายนี้ออกมาเพื่อให้ฐานที่ตั้งของการขายวีซีนั้นคือกฎหมายภาพยนตร์นั้น แปลว่ามีเจ้าของบริษัทนะแล้วไปตั้งขายเดินขายที่ไหนก็มีเจ้าของบริษัทผมตั้งคำถามว่าพิซซ่าเดินขี่มอไซค์ส่งบานได้เทลงผมผ่าเซ็นเซอร์แล้วผมขี่มอไซค์ไปส่งไม่ได้ผมเดินขายไม่ได้โดนจับแต่ของผีขายได้กฎหมาออกออกมาเพื่อเลือกหนวยให้คนทํำผปดกฎหมายนั้นไม่สามารถไม่มีไม่มีใบผู้ประกอบการแต่ตารวจมาจับผู้ประกอบก า, ารเพราะว่าตุนเดินออกแต่เต่าก็เจอล้านคนของคุณเนี่ยคุณผิดละ บางคนหน่วยงานที่อากจะขอกเรื่อง้มาไม่ได้ม า, ไ ม, ไ, มาไม่ได้ฟังยังไงอ่าเป็นหน่วยงานที่ทําให้กฎหมายปิดเบื้อนที่สุดการจัดเก็บแล้วอง่อตอนเอ่อเช้าคืนจีนหนึ่งวันสุดนั้นก็เกิดจากพวกค่ากฎหมายร่วมมือกันนักบินจริงไหมพีปัตนไอ้นนเรื่องของค น, คนที่พีปัตจะแก้เนี่ยกกระทรวงเราก็ได้หารือกันอบอกว่ามันคงมีไปเหลือง ในการเตือนถ้าการจัดเก็บเป็นวงการท้าผู้เอาเกันมาเพื่อปูะนธุรกิจเพลง น, นั้นเขาควรจะเป็นองค์การค้าที่ถูกต้องไม่ใช่การชกซับแล้วขั้นทถ้งหลายที่ไม่ชอบเพลงเขาก็อยา่าไปรลุดผีมาฟังสิเขาช่วยแบงไปไม่ใช่ว่าปากอกไม่ชอบแต่ก็นยันเอายังขงโมยเพลงเขามาฟังกันอยู่นะครับเสื้อผ้าเอกวยผมเรื่องไม่ออกภาาวัดในเชิงของที่ปาดคงช่วยผมไม่ได้ผมเคยคุยระับรัฐมนตรีว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่าเกาหลีเองเนี่ย เขาเรียกว <K an> ่า <ye> matching fund ซึ่งก็คือที่คุณคุณพีเตอร์พูดหรือว่าเป็นของถนไม้เป็นแคบแย่วักมากท้งที่ครัฐบาล ม, มีแนวโน้มที่จะทำ matching fund ให้ทางภาคเอกชนไปไม่ว่าด้านไหนนะครับก็ตั้งมาตั้งกฎเกณิกามาเราก็จะลองตรวสอบันดูไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ละคสรสปินนอื่นมวยไทยด้วยก็ได้นะ้นาจะอคิดเรื่อง matching fund ดูครับยาวเลยครับคเป่งไหมครับ หลับผมเนี่ยมองโลกความเป็นจริงเลยแล้วฟังแล้วโยงนี้ไ้ครัแ่เ้สียงดังทีไรไปตทแล้วผมบอกแล้วลก้องของผมหน่วกันเองอีกคือหวังพึ่งภาราชการเลยก็พึ่งไม่ได้เลยะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีหวังนะผมให้กำลังใจพี่นะฮะ ผมได้ยินชื่อพี่มานานแล้วพผมตั้งกันรวดรุ่นกอ่อตั้ง m อ t กซิทีเหมือนกันได้ยินได้ยินชื่อพี่มาตลอดก็เอาใจช่วยแต่เข้าใจครับว่าการทำงานบ้านเราเห็นที่พี่พูดค่อยๆไปแบบอยู่กันแบบไทยๆผมขอเถียงนะจริงๆบรรจุ ม, ม, มันมัวๆกันไปพวกวันนี้มันมัวจริงๆอ่ะเก็บตั้งยี่สิบเจ้าคนทำงานอย่างพี่เนี่ยผมผมก็เห็นใจนะัะมันก็เหนื่อยอ่ะ เหยแต่ผมก็ให้ให้ให้กำลังใจถามว่าภาคเอกชนจะช่วยอะไรได้ไหมไอ้ค่าย เ, เล็กๆนี่กำลังทยอยตายนะคุณฟังว่าสวยหรูมันดีมันดีมันค่ายใหญ่อะไอเอสแอนดี IS B เข้าไปได้มือเขาใหญ่งองค์กรเขาใหญ่แต่พวกค่าย เ, เล็กๆเนี่ยที่จะพอเป็นกูข้าวกูน้ําให้นักแต่งเพลงเนี่ยลําบากครับคุณฟังรอดนักแต่งเพลงนในมุมที่ดีนะฮะ ว่ามีคนได้สิบล้านต่อเดือนต่อสิบปีก็มีเจ็ดสิบเพื่อเยอะเหลสิบล้านะนะฮะแต่ถามว่ามีกี่คนแล้วกระทั่งในตึกกันมี่เองเนี่ยเพื่อนผมก็ควดเสียงเวี้ยงก้าวอยู่ว่าต้องดูแลเขาด้วยอักแต่งเพลงที่เขาเขาเขายัางยืนไม่ค่อยได้รายได้ไม่พอก็มีเยอะ น ะ, ะผมถึงมาอาสากับอาจารย์วิรัติอยู่ถาวร อ, อาจารย์ประจินทรงเป่าพวกพวกพวกเราเนี่ยคืออย่างผมนี่ก็สบายแล้วก็มันช่วยมันมีนักแต่งเพลงที่ลําบากเยอะนักแต่งเพลงด้วยกันนะครับที่จะต้องช่วยดูแลกันระบบใหม่น ะ, ะที่คุณกรีดเงพูดนะซึ่งผมเห็นด้วยเลยร้อยนต์นะฮะแมชชิ่งฟันนี่อาจจะเป็นสิ่งน่าสนใจแมชชิ่งฟันอาจจะตอบปัญหาเรื่องไข้เล็ นะหรือน่าดนตรีสละจริงๆแล้วท่านถามว่าด้านข้างดานจุดนี้นะฮะที่เป็นประเด็นนะว่าค่ายเล็กกว่านี้ โ, <อ>โชคดีกว่าค่ายสมัยก่อนนพราะผมยกตยัวอย่างแต่ก่อนก็ต้องจ้างการจัดจําหน่ายและส่งไม่เดี๋ยวนี้ถามว่าค่าจัดจำหน่ายเป็นเท่าไหร่ครับผมบอกศูนย์ไม่ต้องมีละเพราะอินเทอร์เน็ตมันจะช่วยทําให้การจัดจำหน่ายเนะี่นยคอสเป็นศูนน ะ, ะอยู่ที่ว่าคุณจะปรับตัวตามเทคโนโลยีหรป่า หรือว่าปรับตัวทางสภาพสังคมหรือเปล่าลองลองลองมองอีกทางนะครับผมอยากให้มองว่าทางด้านเรื่องการสร้างสรรค์นะครับต้องมองว่าถ้าการสร้างสรรค์มากนะฮะให้มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าตรงนั้นจะตอบโจทย์เพื่องอารมณ์คนและและคุณค่าที่คนเขาอยากได้หร AH. right. ือเปล่าทีนี <ta> loves, ้ถ้าในวงนั้นนะฮะจะทำไงให้พวกนักสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะเขามีกําลังใจที่จะสร้างสรรค์ต่อมานะฮะและบริการเพิ่มไปใเยอะ ะะโดยเฉพาะทางเ c t ผมเชื่ออย่างนี้นะฮะ Music Copyright Thailand นะครับบทบาทที่สำคัญที่สุดของบทมิวสิกคอปไรท์ไทยแลนด์นะฮะผมเชื่อเป็นสภานเพราะว่าสมาชิกของ Music Copyright Thailand มีทั้งซีแซกมีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะจริงครับเพราะฉะนั้นซีแซกและอื่นเป็นทางออกของดนตรีไทยที่จะทำงานเอาผลงานเพลงงานประพันธ์ออกไปต่างประเทศหรือเปล่าและตรงนั้นมีเอ็นซี c อะไรเกิดตรงนั้นครับ ไปถึงต่างประเทศที่ไม่เคยชิมเลยนะในประเทศมันยัแย่อยู่เลยก็เลยไม่อยากเอาเอาละคุณเต้นเต่งต้องรู้นะผมจะบอกถึงว่าตัวเลขตัวนี้ที่ชัดเจนมากรายได้ของอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกานะที่ขายเฉพาะในอเมริกานะเป็นแค่ยี่สิบหปซ็แต่เจสิบเซของรายได้อุตสาหกรรมเหล็กมาจากการขายในต่างประเทศสิ่งที่เราคุยกันส่วนใหญ่เนี่ย ผมเห็นด้วยนะฮะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยทำยังไงให้นักแต่งเพลงที่เขาทำงานศิลปะเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างอยู่กันโคลโมงกับไฮเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เนี่ยแค่โทรศัพท์ส่งข้อความยังทำไม่เป็นเลยอะ่ะ เนี่ยงนี้ผมอยากจะให้มีหน่วยงานของรัฐหรือทางมหาวิทยาลัยถึงอะไรก็ได้ภาคเอกชนเนี่ยจะตรงนี้ให้พวกคู่เพลงหรือพวกนักแต่งเพลงเนี่ยพวกนี้เขาเขาชีวิตเขาบางคนก็กินบ้าตัวเดียวเขาเแต่งน้อยครัที่จะใช้คอมพิวเตอร์ยกเว้นพวกโปรดิวเซอร์ที่ทำดนตรีใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยที่จุดอ่อนของนักแต่งเพลงก็คือ จกเทคโนโลยีมากซึ่งขณะนี้กระแสโลกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้เขาได้สูงนะครับประเด็นจะอยู่ตรงนี้แล้วครับมันโลกมันเสียไปแล้วเราต้องตอบตาม อ, อ, อย่างนี้ m อ็ซผมเสนอดีไหมครับขอตัวหน้าท่านพิการเลยอ็ซมอบทุนให้คนนังแต่เพลงใน m อ็ซมาเรียนที่มอประเทศนะครับคือนนี้เราเคยมอบนะฮะสีชุนผ่านทางออสมเด็จประเทศนะฮะ จริงๆเราเคยเราเคยมอบครับเคยมอบแล้วก็ผมขอเสนอครับที่เทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรามีมหาบิดาทางด้านิเทศศาสตร์นะเอ็นเตอร์เทนเมนต์แมทเอ็นเตอร์เทนเ์โปรดักชั่นเชิญไาเลยครับขอุือกระสอบตำตุลไไหมครับยินดีครับเดี๋ยวผมไปปรึกษากับประธาน ท่านนักศึกษาที่เรียนที่นี่แล้วจบแล้วสนใจทำงานตุรย์ิจเฟรชก็มาผมได้นะครับอต่ทำนี่นะทำนี่รับเยอะมากทำเอ็มบีทำโปรโมทอาร์ติสต์แมนจัดแต่งเพลงมาได้เลยครับรับเยอะมากครับอย่างที่โอเคท่านนักเีครับขอนแล้ววันที่เป็นผ้านเช็งเดียวนะคะก็เสนอเลยนะคะเรื่องที่1นะคะก็มองว่า จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการคุยกันทุกเรื่องที่มีการพูดเพื่อพูดีเราน่าจะลองตั้งโต๊ะปัญหาที่ตกขึ้นมาหน้าคุยกันบนโต๊ะนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นเรองของการบริหารจัดการธุกรกิจเพลงนะคะการที่จะทำแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดก็ตามนะคะในส่วนนี้คือต้องบอกว่าสิ่งที่กรมทำขนาดนี้อีกอันเรื่องคือเรื่องของเคลียร์เรื่องสิงทธิ ริขสิทธิงซ้ำซ้อนแต่ก็น่าเสียใจเดี๋ยวไม่เห็นหนักแต่งเพลงมาเท่าไหร่เลยแต่ว่าค่ายมากันเคลียร์สิทกันแล้วนะคะทีนี้นะคะมีอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าเทคโนโลยีมันเปลีย่ยนต้องปรับตามให้ทันนะคะที่บอกว่าที่ต้องปรับตามให้ทันเพราะอะไรเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหน้าดี่ฉันเชื่อว่า C d ดีดีวจะหมดไปในความเห็นนะคะ รูปแบบมันจะเปลี่ยนเราต้องมีการคิดและศึกษาร่วหน้ามือกันว่าเราต้องกล้าไปร่วพร้อมกันถ้าต้องการศึกษากรรมเพลงเนี่ยนะคะของไทยเนี่ยไปได้ดีต้องก้าร่วมพร้อมกันก็ขอคุณรอนวิชาการของเขาไปเพรของต่างประเทศใช่ไหมคะตรงที่ต่ดขาดคนที่มีความรู้ดีๆน ะ, ะไม่ว่าจะเป็นทางแกรมมี่ทางคุณบอยทางคุณเจสันเทมเมอร์ต้องมาช่วย เพื่อนนี้ช่วยใครก็คือช่วยนักแต่งเพลงโบราณทั้งหลายคนเก่าๆที่เขาเนี่ยเรายอมรับจริงๆว่าเขาเป็นคนที่น่าเห็นใจเขาจำยังไม่ค่อยเข้าใจระบบอะไรเท่าไหร่ผมต้องช่วยกันเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงบนอินเทอร์เน็ตจะเห็นเป็นเรื่องตลกตอบเลยนะคะว่าเป็นช่องทางที่เก็บเงินได้มากทีเดียวนะคะ นะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะนัคือสิ่งที่ต้องหนักหนาดกันส่วนเรื่องขอ ง, า ง, าาางการปราบกลางการะเมิดที่ฉันก็มานั่งรับแทนตำรวจตรงนี้แหละนะนะคะพูดตรงตรงแล้วกันนะคะก็จะเพยายามไปผลักดันกันต่อไปก็ได้ลตามลําดับอาจ ะ, ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ผลักกันมาตลอดแต่ก็เชื่อว่าในส่วนเดิงเรียนว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งเคยขอให้สหรัฐมาจัดสัมมนาเรื่องปัญหาการเมิดบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งทำคดีด้วยนะคะเราได้เชิญทั้งหมดทั้งไอซิง ท, ทีเชิญทั้งตํารวจที่ทางด้านเทคโนโลยีด้วยเขาเรียกปอทเข้ามาเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราได้คุยกันปัญหาของเราเร า, เาเรื่องเนี้ยไปคุยด้วยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้คือบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมันปรับเร็วเราได้มีการคุยกันถึงเรื่องของ secondary i n ฟลูเอ e ซ์เมนต์ขนาดนั้นแล้วคุณแคสต์นัปเตอร์ที่แา่งกับโบราขที่มาคุยด้วยพูดถึงหลายๆด้านเร่ปัญหาของการละเมิดเคสตในในจีนทำไมถึงไม่เป็นการละเมิดที่เป็น Google แที่ค o ปปี้ o g l e กอนะคะั่นเนที่เป็นต้นกนแต่ก็ต้องบอกขั้งหลายวย่าอย่าหยุดยี่ตรงนี้เพราะ Google เองเนี่ยในเรื่องของราคามูลค่าของตัวโลโก้ของเขาคือตัวเครื่องหมายการค้าของรือแบรนด์ของเขาง ในอดีตที่ผ่านมาตัวท็อปที่สุดคือปูนค่าสูงสุดคือโคกปัจจุบันไม่ใช่ Google ถีอตัวขึ้นมาตั้งกี่อันดับเพราะฉะนั้นตรงที่เราคงกัำลังจาบและจับเรืมม่องนีน้แม้ว่าระดอกว่ามันจะอยู่บนฟ้าลอยไปลอยมาก็เถอะแต่ทุกอย่างมันต้องหามาตรการต้องช่วยกันปัญหาต้องหามาร่วมกันนะคะก็ฝากชันคือว่างล่างเนี่ยยังคงจะมีแต่แ ต, แต่แกะลงไปทุกวันพวกอย่างเจเนเรชั่นเท่าไหร่ พวกท่านต้องมีการกว้างต้อ ง, ขของเชเป็นมองเชื่อารศึกษาทาําความเห็นในนี้คงจะมีแบบสองขาให้เด็กๆตอบครัอ า, าการอาจารย์ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กๆมีแนวคิดแนวอะไรมาต้องเสนอแดะเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเป็นไม้ถูกเรื่อยๆแต่เด็กรุ่นใหม่พวกคุณจะต้องอยู่อยู่กับเพลงอยู่กับรูปกิจของคุณในวันข้างหน้าจะมาบอกว่าพิกเด็กรับคนใหม่วันนี้แล้วพิ่เด็กเนี่ยนะจะอยู่ยั่งยืนถึง150ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ น, ะะน้องๆเด็กๆ เ, เนี่ยต้องเตรียมตัวตัวเองว่าฉันจะอยู่ในคณะค้นในสังคมอย่างนี้ได้อย่างไรนะะถ้าเราไม่ได้เสนอแนะความเห็นขึ้นมาให้ในเวทีนี้นะะขอบคุณคขอเลยนะครับพวกเราขึ้นหน่อยนะครับแ่ใครมีคำถามนะครับและใครมีข้อเสนอแนะกรุณาเตรเียมเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเซสชั่น question แต่นะนะมีใครมีข้อเสนอแนะเชิญนะครับแล้วก็ทีนี้ะนะ ใช้ผลงานนะหรือคุณบอยรอได้ครับขอบคุณครับขอขอตอบแทนอาทิต น, นะนี้นี่นึนะครับบทีผมกับคุณพิเศษเคยสนัโครงการนักศิล์ดนตรีนะครับพบกับครูเพยเป็นคอลลาบอร t ชันโครงการนึงอาจจะได้ยืนย่นกับองใหม่ครับกับท่านกรมศัพทนะครั บ, บรครับเาขอมแล้วเรียนเรียนรู้จากเพื่อนขางเคียงนะ มันแบบชิ้นฟันนะนะคะมันแช้นฟันนี่ไม่ได้ไม่ชิ้นฟนม่ได้คือไม่ิ้นฟัได้ก็ิครับแต่ระเด็นว่าแบบช้นฟันเนี่ยเรามีกองทุนมุนเวียนเกิดที่นสร้างฐานอีก300ล้านแต่ต้องใช้คืนนะอืมนี่แหละขาง300ล้านแต่ตอนนี้ไม่มีใครขอเข้ามาเลยมีแต่นักขอเข้ามา นะคะจะจะประชุมกฎเกณฑ์เ right? นี่ยตอนนี้กองทุนเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวแต่กำหนดหลักเกณฑ์แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามีเรื่องที่จะมารอเข้าจะเป็นพวกหนังทั้งนั้นเดือดใสนใจนะคะเป็นรองประธานจรรมการนะคะก็จะประชุมภายในเดือนหน้านี้แล้วนะคะวางหลักเกณฑ์เสร็จก็เปิดรับสมัครของคนที่จะใช้เงินค่ะก็ปีนี้300ร้ล้านก็จะเป็นจบที่เดือนกันยายนปีหน้าก็อีกสามล้านค่ะจริงๆมายชิ่อฟันมันมีหลายรูปแบบผมเคยคุยกับทางผู้บริหารทางแบงก เบบ artist fund อรเหือเราตั้งกองทุนเราเหมือนเราเชื่อมั่นว่าคนที่จะดังหลว้วคนเหาก็ไปสออื่อว่นพอเขาขายดังจริงเขาก็คืนดังและการ่งกำไรให้แต่ถ้าเจ๊ก็โตให้ตัวมันนะคือลักษณะของทุนอย่างนี้มีในโลกครับของผ ม, ผมสั้<ล>ครับผมอยากทีเห็นวาระของวกันตรีไม่จะเป็นวาระของ ค, ค, ค่ายใดค่หนึ่งนะครับอยากจะเป็นวาระของประเทศนะครับแล้วเราคงจะทราบดีว่าเรามีสมาคามมากมายสมาคมดนตรีไม่ได้ไทยอะไรต่อะไรนะ จริถึงวเวลาตอนหนึ่งเราควรจะมาฟื้นกันดูกรับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีปฏิกิจิยาแต่ละปีอะไรบ้างแล้วเข้าไปขยะยใช่ไหมส่องขยายเลยนะครับผมสร้างว่าเดี๋ยวบรรทุนทนี้ก็จะมีนักเตี30หลาคนไปเล่นที่เชียงใหม่เพื่อหายกันให้กับนักดนตรีที่ป่วยเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็มีคําถามตามมาว่าแล้วสมาคมดนตรีทําอะไรอยู่มีหลายสมาคมคำพงจะต้องถึงเวลาที่ดนตีต้องฝากทำบล็อกเทปรวบ ร, รวมนะครับเพื่อทํารน่อีต่อไป ทีนี้ฮนะบางทีนี่คุณอาจารดเลยเลยไดย้งๆแล้วนะฮะบางทีโดวเฉพาท่านที่พีท่านพูดอย่างนี้นะจริงๆพวกเราสามารถแต่งตท่านท่านพีทีเป็นเจ้าข่ายเทยนไะด้<ม>เป็นเจ้าของค่ายเทนค่ายเทนนั้นชื่อว่าค่ายเทนประเทศไทยนะเพราะค่ายเทนประเทศไทยเนี่ยคือการทำพาอุตสาหกรรมเเรงเป็นมาถึงนวนะครับแล้วก็เรารับสามารถจะถานได้เกี่ยวกับ อันนี้ก็จะปากท่านอธิบดีนิดหนึ่งนะฮะแทรกไปในส่วนของงานนั้นนะฮะว่าค่ายเพลงประเทศไทยเป็นไปได้ไหมผมเป็นหัวมันเคลื่อนในเทปสิ้นมันไม่มีแล้วคุณมาจากเก่าค่ายเทลโอเคครับครับ่ตค่ายเพลงไม่ไม่มีไม่รู้จะขออะไรจริงๆคิดว่ามันดีอยู่แล้วอ่ะที่ที่คุณบอกจะไปปัสสวะเนื่อ ก็จคิดว่าจริงๆถ้าเรานับสิ่งที่เรามีใช่ไหมฮะผมว่าเราก็มีทั้งเยอะแล้วแต่ไปื่อเอิญเราอาจจะไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างนี้เราก็เลยคิดว่ามันยังไม่มีอย่างจริงองการแพลงของเราว่าดีมันก็ดีของมันในในสภาวะที่โลกมันหมุนไปแบบเนี้ยงั้นผมก็ผมไม่รู้เจะตอบคอมพิวเตอร์ว่ผมอยากจะขออะไร ก็คิดว่าก็คิดว่าก็ขอขอให้เรารู้เนี่ยผมว่าทุกวันนี้ทุกค่ายก็อันหน้ามาคุยกันมีอะไรก็ทําด้วยกันก็ดีอยู่แล้วครับผมสวนกับพี่บอยเลยเนี่ยมา <c oughs> จากที่พี่บอยพูดอย่างนี้คร <c oughs> ับขอให้พวกเราในโลกแล้วขอให้ทําให้ศิลปะเป็นศิลปะ <c oughs> นี่เป็นการขอที่พอใช้ได้นะพี่อยขออทีแล้นะยงครับพี่บอยทำไมผมนยขอให้เราไปโลกและขอให้ทรีตส์ศิลปะในศิลปะนะฮะตรงนี้ถ้าเราขอด้วยกันนะฮะพวกเราทั้งหมดจะสามารถช่วยโงการดนตรีให้พิ่งขึ้นมาและไม่เจ๊งแน่ครับและผมคิดว่าจะทาให้อนาคตวงการดนตรีเนี่ยรุ่งโรจน์มิใช่เรื่องไป บางทีเราคิดถึงเรื่องมูลค่ามาันมากจนกระทั่งอะะารมณการสร้างสั่งตกลงไปนะฮะถ้าเรามีสัด ก, การสร้างสรรค์ น, นะฮะผมคิดว่าเล่ห์จะมีอะไรจะพูด <c oughs> คือผมเห็นว่าข้อดีนะฮะมันถึงดีเพราะว่าตอนนี้พวกตัวเชื่อมตอะไรพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ทำให้เรา access to คนฟังของเราได้น้ำเยอะแล้วะเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันก็แล้วแล้วเไม่ตอเสียตังค์ด้วย แล้วก็จะขายก็อย่างที่พี่บูดกันนะแล้วก็ขายทางเน็ตอย่างผมก็จะเริ่มต้นขายทางเน็ตครั้งแรกประมาณเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยครกับวงรวมสิดทีนาเนี่ยเราเริมจะขายทางเน็ตอย่างเดียว <c oughs> แล้วก็คิดว่าของแบบนี้มันประเทศเราก็ามีโลกนี้ก็มีให้เราเยอะแล้วก็คิดว่านักดนตรีัวเล็กหรือว่านักร้องนักแต่งเพลงหรือเป็นทั้งหลายยังหมดเงินใจเพราะว่า เรมีช่องทางที่จะเข้าไปสู่ออนไลน์โซลิตต์เพิ่มเยอะนะครับเราอาจจะไม่ได้ได้ฟังจากการขายเพลงเมื่อก่อนาอาจจะไม่ได้ได้เงินจากการที่เราจะต้องซื้อมาขายไปแต่ว่ามันก็มีตั้งหลายช่องทาง ท, างที่เขารักเราเขาก็จะช่วยสับสันธ์เราเองสวยงามมากนะผมลองสรุปเป็นกรอบของมอผมนะขอให้เราอย่วงวางปลอดภ เรามีอะไรอยู่ในม อ, อย่างหมดวังสแล้วโอกาสจะเป็นไปนะครับีครมีคถามไหครับผมรู้สึกเกลงใจพอที่ตั้งใจทีจบ5าโมงี่มันเล่นไป5้าโมงบ้าแล้วนะฮะแต่ทีนี้มีคำถามนะครับมีไมอยู่สองสตัวนะครับแล้วมี พ, พวกเราเชิญเลยครับไมอยู่ตรงนั้นเชิญนะครับ จากจากที่คุยกันเรื่อง então, อตัวของ iTunes Store ครับผมคือว่าทางสติดเราเขาไม่ให้เอาเพลงขายเข้าไปหรือเปล่าครับผมหรือหรือว่าคุยก <k id> ันยากมากเพราะว่ามีมีเดียของตัวแอปเปเนี่ยคือไอไอแพดไอโหรือไม่ก <k id> ็ iPod เนี so ่ยมีขายในในไทยเยอะมากครับผมขายไม่ได้ในยเส้นธนบัตรนะคือรับซับใหม่ที ประเทศไทยนี่เราเราเมื่อหลายปีก่อนคลับมีนาอีเคเป็นเหนื่อนะเดินไปหาไอจูนเขาไลก่กลับมานะผมาไม่มีไ ม, ไม่ไม่สามารถเอาจ้างคนมาดูไอพวกเพลงแบบวงมิวสิกได้ไม่คุม้มแตแต่ตหลังเราก็เดินอ้อม น, นะเราเดินอ้อมไปที่ที่ออสซอที่ออสเตรเลียคือไอจูนจะไม่คุยกับสเกลของเราที่รวมกันเลยเน็งเน็เขาก็ให้เราไปพูดเอลิเกเตอร์เราก็เดินไปกูดออสซอ ตอนนี้เพลงแกนี่มีขายในไอจูนนะแต่ไอจูนไม่ได้แหลกสึงมาเมืองไทยเพื่อ น, นั้นเป็นปักไม่มีกูต้องไปซื้อที่สิงคโปร์หรือในมีคนคงมีคนเอ่าเาขายไอจูนเขาไม่ทำการตลาดในเมืองไทยเนี่ยไอทงไม่แพงที่ไม่ทำในเมืองไทยนะ ในบผมขอพูดในฐานะของคนเขียเพลงนะนัก แ, แต่เพลงเพื่อนเผมก็แต่งเพลงลคนนึงคือตอนนี้ผมอยากต้องการที่จะได้ความภูมิใจหรือวความภูมิใจในผลงานของตัวเองในการที่แต่งเพลงแล้วออกไปใช้ข้างนอกได้ในการที่ส่งเพลงเราแต่งเพลงตอนนี้อย่างเช่น i r รีส์ฟูนี่นะอ อ, ออกไปแล้วไปอยู่ค่ ไม่สามารถที่จะเอกเพลงตัวเองไปเล่นได้อันนี้มันมันมันเป็นมันเหมือนความเข้าใจว่าทางแดนนี่นซื้แ ล, ล้วให้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าความภาคภูมิใจใตัวผลงานของคนแต่งมันยังไม่มีครับที่มีทางออกอนะโทษโทษครับนะซีรีฟูที่ออกไปที่อยู่อสใช่ไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงครับคนที่แต่งคำร้องทํา น, นองอคือโตคือเจ้าของสิทธิ์คือโตอันนี้ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามเขเล่นนะ อ่ายงได้เล่นอยู่คือทั้งแต่ทั้งอะไรก็มาหาหลังต ก, กันหมดเขาเล่นดโดยเขาไม่มีสิทธิทางเรือความทีดชี้คุณยังเขาเ้าใจผิดนั่นเขาเอาไว้ใแบบ น, น, นาสเตอร์คเขาก็เล่นมาสเตอร์แต่เจ้าของเพลคือโตซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าเล่นกันี่ต้องสองวงมานละจะไมห้ามก็ดครับ <c oughs> ถามแทนว่าเราทซ้าตัดแปงได้ก็เราขอโดยมากเดิว่าเราจะให้ทาอยู่แล้วเพราะประโยชน์กับผู้แต่เงินมันเข้าทีาท่ผู้แต่งไง เราก็ตั้งใดูแต่เราดูว่าเอาไปทำอะไรหมายถึงโตเนี่ยตอนนี้ออกแต้มมีแล้วเนี่ยเขาตัวโตอยู่แต้มมียังอยู่อยอแล้เอกก็กีเที่เซิิฟูเขาเป็นสองวงแฮงแมนกับซิิฟูซึ่งตอนนี้ตัวตัวซิลิฟูก็เข้ามาคุยกับเรานะความเกิดเอานี้กอยู่ให้เรแต่เขาเดือร้อนเลสตุสตผมนี่แหละรับผิชาจะหาทางให้เขาทอผมเข้าใจว่าเอกเนี่ยคงหมายถึงว่า ออกไปแล้วเนี่ยจะเอาเพลงที่แต่งแล้วเนี่ยเพื่อความภาคภูมิใจจะทําซ้ําดัดแปลงรีโปรดักชันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมี10ทธิ์ไมก็ต้องดูไป็นเคสโดยไม่ออกในนาของแคลมมี่ดูเป็นคส by เค ส, เคสนะอดีตีบางเพลงที่ไม่ได้ห่วงเอาพูดจริงๆจันเป็นเรื่องห่วงคุณทำธุรกิจขัดแย้งอ่ะในโลกนี้มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งไม่ได้เพราะหนึ่งเพลงที่สร้างขึ้นมาถ้ามองมุมนึงเนี่ยถ้าแบบของคุณบอยทําแล้วเขาจะเนี่ทุกอย่างเป็นแซลลอนทำให้ตัวเองหมด แต่หนึ่งแฟลที่ฮิขึ้นมาเนี่ยที่บอกในยิ่งนอดีตเนี่ยอินเวสต์สูงมากไม่ใช่แค่แค่คอสของงานรับบ้างแต่ในคอสมันมีฟิกคอสขององค์กรมบนมีตั้งแต่ปีเดียคอสทุกอย่างสูงมากอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราผเคยลองสังขยาเอาคุณค่าวลูของค่าค่าทำงานอย่งงรับบางผมแบบนี้เรถึงตกใจเนีางมีการบริเวณบริษัทหนึ่งมาสเตอร์เราเนี่ย ราคาประมาณเจ็ดแปดลมานบาทโซลมาสเตอร์โซลมาสเตอร์ไม่น่ามีเดียนะครับพี่โซลมาสเตอร์อ ย, าอย่างเดียวฟังแล้วมัน่าตกใจไหมอันี่ซึ่งคนทำงานจะไม่รู้เมื่อกของเขามันเป็นมันมีคนเยอะมากอยู่ในเฟืองขององค์ก่อนที่บอกมันเปนอง์กรใหญตั้งแต่นักแต่งเขททำจึงต่างๆคนรงงานแท็กของคนทำมีเดียคนทำ MP, เอ็มวีมันเยอะมาก เราจินตนาการไม่ออกแต่ที่อบอกว่ามาันก็ทุกวันนี้มันมีมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นอินที่เพรั้นเล็กๆก็ทําได้กรทําก็เปิดขึ้นมากขึ้นก็ทุกคนก็เป็นค่ายเพลงเล็กๆของตัวเองได้บริหารต้นทุนด้วยตัวเองจัด ก, การก็เป็ น, นต้นส่วนออกขนาดเหนนะครับ <c oughs> ่<ต>เขาไม่ได้ก็เหมือนแบงเ์ียงทากับค่ายอะไรทําไมทำไมก่อ ใหนะ้ผมก็ร้องซื้อเพลงจะเข้ามาให้คุณทำก็เราก้อเข้าจะยอมมันไปไม่ได้กลอบไปไม่ได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่เคส by เคสคือผมมีไนเดียแบบนี้ครับเพลงที่เ<ม>ผอแพร่สูส่สาธานะบันดาลใ จ, จเป็นอาจจะมีใครจะขอสิทธิ์อยู่ก็ตามเนี่ยถ้าผมเป็นพรฟอร์มเมอร์เนี่ยผมสามารถเอาไปเล่นแล้วก็จัดท่าอบแทนจากผลประโยชน์ที่ผมได้รับได้ไหครับโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเอาทุ้อยแล้วทันได้ได้อยู่แล้ว เราก็จัดเก็บไปถ้าเป็นโสภูนโตเขาต้องเงินแตกทำร้องทานองสึ้งอยู่ที่เขาหมดเขาขอเวฟคือเราก็ตไปเก็บเพราะมันเก็บไปที่เขาเราก็เรียกเก็บให้เสียค่าตํางาไปก็เวฟตัวของเขาหมดนี่เป็นต้นขวานก็คันก็ดูสัญญาดีๆตอนจะเซ็นเราในยุคสมาหของนั้น ถ้ายกมาถอยอีกครั้งนึงถอยอีกครั้งนะแต่ที่ไ็่มพูดอีกครั้งแต่เมื่อกี้อีกครั้งต้องพูอะไรหน่คือคแต่งเพลงทั้งหลายเน่นะคะก่อนเซ็นสัญญาก็อ่านซะก่อนสิเซ็ไมัแต่เข้าใจแหละแต่เข้าใจเข้าใจมันหิวอ่ะเข้าใจแเอมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันก็เหมือนตอนที่บรรดาเหมือนต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องดูสัญญาเซ็นสัญญากันเนี่ยก่อนเซเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่เคยอ่านรองใช่มตรงนี้ก็ฝากตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนเนี่ยทุกซีฉันเช่ว่าหลายๆข่ายเนี่ยเขาทำพยายามทำสัญญาที่เคยทําอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ต่อรองคุยกันสซใช่ไหมคะจุ๊บปาก เราถามก็เห็นพระนาดาจะถามครับข้ อ, อสดุดีดีฟางขอเจ๊กในรูปครับผมว่าเวลาที่เรา ต้องเจอข้อสอบยากๆเนี่ยมันจะเป็นเวลาถ้าเราผ่านไม่ได้เนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนะแล้วผมว่าตอนนี้ยเรากาลังเจอข้อสอบยากๆซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะเจอตอนที่เรายังหนุนอยู่ถ้าเราเจอมัน จ, ออจะมันจะได้แก้เนะพแก้ได้เลยได้ไกลผมคิดว่าโอกาสไทยกาลังเปล่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มันยังอยู่มันยังคงอยู่ที่พู ด, พดตอนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยแต่ว่า รูปแบบการทำงานทั้งรูปแบบธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปคงจะไม่เหมือนเดิมครับพี่บอยเเป็นคนยงเช่นกันครับก็ถ้าเป็นหุ้นก็ตอนนี้ไซด์เวย์ถ้าเป็นหุ้นก็ไซด์เวย์นะแต่ก็อย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นมันมีแฟกเตอร์ประกอบกันหลายอย่างนะในโดยเฉพาะสำหรับคงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเอง ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเองอะไรเองผมคิดว่ามันมันอยู่ในช่วงของการหลอมรวมนะครับถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นโมบิลเองไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเองไม่ว่าจะเป็นทีวีเองโทรทัศน์เอ ง, เองตอนนี้มันมันหลอมรวมหมดแล้วทีวีก็เข้าเน็ตพีซีก็ดูทีวีได้มือถือก็ดูทีวีได้อะไรอีกอีกหน่อย สั่งพิซซ่าทางทีวีได้อะไรเนี้ยคือคือมันเกิดการหลอมรวมเพราะฉะนั้นเนียเราเราก็ต้องอแทนที่นอกจากเรา s p e c i a l i z e ในเรื่องของการทำเพลงแเราก็ต้องรู้ว่าที่ข้างๆเราอ่ะมันเป็นยังไงเหมือนเวลาผมคุยกันพนักงานผมเนี้ยก็คือว่าคุณทำงานของคุณฟังชันของคุณเก่งแต่คุณต้องรู้ว่าไอคนที่ข้างๆคุณอ่ะ เขาทําอะไรบ้างคนที่จะต้องรับงานจากคุณแลต่อไปเนี่ยเขาเขาทำอะไรบ้างดูช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอีเวไปพัฒนาไปแต่ก็การเปลี่ยนแปลงของคนไทยผมกอ็อย่างที่พี่อาันตบอกต้องหันหน้าคุยกันเยอ ะ, ยอะนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยพี่ๆในวงการก็รู้อยู่ว่าผมอาจจะพูดตรงๆเยอะนะครับก็ หลายหครั้งกันดีที่วรพลไม่อยู่เมื่อสปีที่แล้วก็เคยคุยกันว่าตอนนั้นมีคนบอกว่าอยากบริษัทนั้นอยากทำคียออสบริษัทนี้อยากทำเยอะผมบอกให้แล้วทำไมไม่ตั้งขึ้นมาบริษัทเดียวแล้วถือหุ้นกันหมดเลยวะเพราะว่าในแง่ของคนอยากซื้อเพลงมาแกรมมี่มันก็ได้แต่แกรมมี่แหละไปไอเอสก็ได้แต่ไอเอมาผมก็ได้แต่กินที้ไปเมเจอร์ก็ได้แต่เจน ออแต่ผมอยากได้เพลงที่ผมอยากได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคือคือผมคิดว่าในคุ ย, ยกันได้มาแรกได้นะช่วยเป็นพื้นที่อยู่ได้มันมันอย่างยิ่งเป็นในเรื่องของดิจิตอลมันยิ่งง่ายครับอย่างสมมติว่าโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าร้านค้าริมถนนไม่มีเปิดแล้วเนี่ยก็เปิดร้านค้าออนไลน์เยอะๆทีข้างหลัง เป็นระบบอ่ะถูกครับแต่ละร้านขายเพลงอะไรนะถูกหครับเพราะข้างหลังเป็นระบบผมนะผมคิดว่ า, าถ้าถ้าทำแบบนั้นได้ระบบ billing system ง่ายทำให้คนซื้อง่ายนะครับมันก็จะมันก็ผมคิดว่ามันก็ช่วยทำให้รายได้ของของอินดัสทรีมันโตนะครับและอัทนหนึ่งผมอยากจะฝากนักแัเงเพลนะผมเห็นตัวอย่างบางตัวอย่าง ที่กลุ่มคนอินดี้เขาทำกันเนยก็คือว่าอย่างโปรดิวเซอร์ซองไรเตอร์คอมโพเซอร์เนี่ยเวลาเขาทำเพลงให้อาร์ติสเนี่ยเขาได้เงินจากโชว์ที่เขจโชว์ด้วยนะครับอันนี้คือคือนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมภาคหลังอินดี้ถึงมีเพลงโดดๆเยอะนะครับสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขา เขาพอมีส่วนแบ่งจากตรงนั้นด้วยเขาก็ทุ่มเทในการทำนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องของของเทคโนโลยีนะครับคืออย่างที่ผมบอก b บ r r i e r ของค่ายเพลงกับคอน sumer กับอาร์ติสต์เนี่ยมันถูกลดลงมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ convenience นะสำหรับผมผมไม่ได้ห่วงเรื่องผีมากนะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเหยียบเข้าอ n d u s t r รรมันก็มีอยู่แล้ว จนวันนี้มันก็มีผมว่าอีกสิปีจากนี้ยมันก็ยังมีครับผมว่าทำยังไงให้คนที่เขาจะซื้อของของเราซื้อง่ายที่สุดไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างนี้ในเรื่องของราคาในเรื่องของ convenience uh, point blank system อะไรพวกนี้ทำไปเลยครับทาให้มันง่ายเข้าไว้อย่าให้มันยากทุกวันนี้มันยากฝากไว้เท่านี้ ถ้าจะดีขึ้นนะโดยแฟกเตอร์บางเตอร์ เ, อรเช่นอะรถึงไหโลกมันไปเลก็กลงมันจะ exchange องกันเยอะขึ้นต้นทุนในการผลิตเพลองอันนี้คุณบอยว่ามันจะลดลงต้นทุนหลักๆของการทำเพลงมาคือเราจะค่ามาสเตอร์แล้วมันเรื่องของมีเดียมีเดียมันจะท้าเป็นฟรีแต่ว่าโอเคก็อย่างไปเรื่องข้อเดีวคือเรื่อง g a t e way ถ้าเป็นดาวน์ีนเนี่ยอาจจะ อาจจะโอเคท่าที่ไม่ต้องไม่ต้องมีบลิเกตเวนหรือทาทางเจ็บเ น, นี่ยอันนี้เป็นเป็นปัญหาอยู่อันึงถ้าผา่านทางโมบายก็ต้องผ่านโพรเตอร์แน่นอนก็ต้องไปดีกว่าเขาแล้วกันเอกชนเอกชนแล้วว่าค่าทานทางถูกหน่อยได้ไหมอย่าสิบห้าสิบเลยตแต่ยืนยันว่าปรับตัวได้ดีขึ้นแน่นอนคุณนกะันอย่าทำไมตกนะผมจะพูดทําทไมตกอีก เออ <S <S ผมถูกเลี่ยนตรงๆเลยนะครับว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงให้เห็นภาพชัดเจนเลยเมื่อก่อนเนี่ยคุณค้าขายนคุณทำซีดีออกมาืูเทปคนเดินซื้อปึ้งได้ปั ง, งไปคุณได้เงินนะร้านคา้าร้านเทปมีเยอะแยะสะดวกที่จะจ่ายเงินส่วนประกอบเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐดีมันก็ยิ่งเสริมข้าไปใหญ่ แต่ตอนนี้คุณจะซื้อคุณต้องเข้าเปิดคอมพิวเตอร์คลิกนู่นคลิกนี่คุณบอกสะดวกคุณอยู่ในบ้านจริงแต่มันมันซับซ้อนนะ่ะสำหรับคนที่ไม่ในในเขาโฆษณาแล้วโมบายอินเทอร์เน็ตนะฮะผมผมมองว่าเล็ ก, กลงค่ายเล็กๆแย่ ค่า ใ, ใหญ่เขาก็มีวิธีที่จะปรับตัวเขากำลังเงินฐานหลายๆอย่างเขาเขาได้นะแล้วก็อย่างถ้าเมื่อกี้คุณตีเขาบอกว่าดีขึ้นก็ฝากคุณตีขึ้นค่าทำงานให้นักแต่งเพลงก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> อาจย์่ครับมองว่าในเรื่องของวงการเพลงนะคะใครบอกว่าจะเจ๊งฉันไม่เชื่อ คนยังฟังเพลงอีกเยอะทุกวันนี้ริงโทนเพลงแต่และคนก็เสียงก็ไม่เหมือนกันเพลงออกมาก็เพลงอนี้แม่โทรเพล ง, งนี้พ่ อ, อโทรเพลงนนี้กิ๊กโทนต๊เนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ที่ฉันเชื่อยอย่างตอนเด็กๆดูกระตูนอยู่เรื่องนึงมันคนเนี่ยมันจะขี่จรวดไม่ต้องอยู่ไม่ต้องขับรถแล้วแล้วเขาบอกว่าคนในอนาคตเราจะเหลือแค่สองนิ้วคือนิ้วที่สำคัญไว้จิ้เแล้วเอมันมีสองนิ้วได้ไง พอมาวันนี้ถึงเรียกคนจะเหลือสองนิ้วเมื่อกี้คุณพิเศษกำลังจิ้มจๆเครื่อก็จะเหลือสองนิ้วเพื่อจิ้มคีย์บอร์ดเท่านั้นแค่คุณต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของโลกเมื่อเปลี่ยนโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะทำยังไงให้ลดต้นทุนรงได้ใช่ไหมคะและเมื่อลดต้นทุนลงได้ก็คำนวณาคาสินคาทั้งหมลงเร็วหนีโดดเลยแหกะพิกาบัต ใช่ไหมคะที่ตาบอดอยู่เองติ ด, ดเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนี้เน <c oughs> ี่ยถ้าคุณทำอย่างที่ฉันดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ใช้เครื่องไม่เป็นเชยญเชยซื้อเครื่องใหม่ใหม่รู้จักพิเศษและ พ, เเลพิเศษเครื่องที่ใช้ทำพิเศษว่าพี่ปากซอย่างง่ายเพราะพี่ขับรกับเื่อนที่จิ้มพี่ไปโชวนทั้งนั้เมื่อกี้ดิฉันบอกพิเศษเฮ้ยพี่จิ้มเป็นหมดแล้วน้ำดิฉันก็เอาเพลงเข้าโทรศัพท์ได้ข่าวก็รับทันโทรศัพท์ท เดือนก็หักยี่บาทอยากจ่ายหักก็หักไปแต่ว่ามันคืออะไรถามว่าพอเพลงแบบเรียนชั้นเปลี่ยนเพลงก็จะมีผู้ใหญ่โทว่าอ่าปัจจิมาตอนนี่คุณเปลี่ยนเพลงทันสมัยขึ้นนะอย่างนี้คือคนนั้นก็อยากฟังเพลงกันเพลงไม่เจ๊งหรอกค่ะเชื่อได้ไหมเพราะมองว่าจดี๋ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แทรกอยู่ทุกๆแห่งถ้าหนังไม่มีเพลงก็หนังใบละครไม่มีเพลงก็ละครใบใช่ไหมคะ ดังนั้นตรงนเรลาบอกได้เล ย, เยว่าเพลงกำลังจะจดทะเบียนเนเครื่องหมายการค้าได้แล้วเพราะว่าอย่จบตัวอย่างเช่นเพลงเข้ารายการครูสระยุทบเดี๋ยวมากฎหมายออกเอกซิตรีซากับเข้าสภาจบเครื่องหมายเสียงเสียงเพลงก็จะจดทะเบียนได้แล้วนะคะดังนัตรงนี้เราต้องบอกท่้นว่ามันไม่หมดไม่หายไปหรอก แต่งเพลงมันประหลาดประหลาดสคนจาได้บอกในรยการนี้กอทำมาหากินได้แล้วคนใช่ไหมเอาเพลงเก๋ที่ไปใส่ริมทกไม่ใช่ใสทุกคนใส่เพลงก่อนเข้ารายการเลยอินเทเพลงก่อนเข้ารายการจิงเกิรเพลงเลยนั่นแหะพอคนจาเพลงติดถูกวเขาเดไปขึ้นไหมคะพอใครจะมาคัปปี้ก็การละเมิดใช่ไหมคะตรงนี้แหละอั่หาเนี่ยทำช่องทางทำมาากิน ไม่หายเลยเราคัลับลองเด็กรู่ใหม่ฟังเพลงรูกฉันน่ะนอนหลับไปกับเสียงเพลงต้องมีเพลงกล่องใส่เข้าไปในหูถามไมู่กหย่อนว่าดีหูใหม่มันฟังถึงใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะคะ่ะบอกทักเลยนะคะว่าไม่ต้องบอกคุณบอยว่าคุณบอยเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ ลูกที่ฉันไปจบจากอังกฤษต้องไปนอนที่สนามหญ้าแล้วฟังเพลงเาอ่ะแล้วหลวงพ่กันัเรื่องติงสามหไม่เข้าใจเลยคุณบอยแย่ทมานแต่ว่าเขาอบอกว่าเขาบอกเขาไปฟังคุณบอยเ้างเพลงนะคะอย่างเนี้ยอไปตั้แต่เช้ากลับมต้องอีกวันนึงเราก็ห่วงนีคือเพราะฉะนั้นบอกเลยนเพลงไม่หายเราขางไม่ต้องเปวนะคะเชื่อว่ายังอยู่ค่ะ เชื่อว่าปรับตัวได้และดีขึ้นแน่นอนกรับแล้วก็เห็นด้วยอย่างที่คุณวรนิกาบอกครับว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากแต่ถ้าผ่านไปแล้วเราก็จะเป็นคนที่เก่งยิง่งขึ้นทบสรุปเลยนะครับทมสรุปเลยนะครับจริงๆแล้วคนที่สรุปคนแรกคือคุณคเราไม่เห็นต้องการอะไรมากขนาดนีเลยเรามีทุกอย่างอยู่บตัวเพียงแต่เราไม่ได้ใช้ทุกอย่างที่มีรอบตัวใระโยชนนะฮะเทคโนโลยีมีรอบตัว ถ้าเรากลัวเทคโนโลยีมันจะใช้เราสิแต่ถ้าเราแข่งกับเทคโนโลยีเราใช้ทุกอย่างมันอยู่รอบตัวแล้วอยู่ที่เราจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อนะฮะโดยผ่านคําว่าอ o m m u n i c a t i o n คือการพูดจา ก, ก, กรารตกลงกันนะครับแล้วทําให้เกิดแรงจูงใจใ น, นการสร้าง motivation นะฮะจนกระทั่งเกิดไปมาที่หน้าปากจนมาเรียนรเวลาก็ลงเลยนะฮะมีใครมีคําถามอีกไหมครับคําถาสมถาสุดท้ายนะครับ สวัสดีครับธาเนกสุขวัฒครับมาในหมวดของนะักผู้สือ่อข่าวผมอยมากไปถามนันอนธิบดีครับในเรื่องของออกรณีที่ปีเตอร์พูดว่าหนึกจิกมันจะมังจะมานะในกรณีการจัดเก็บดิสิทิลทางทางอินเทอร์เน็ตผมยังมีปัญหาเรื่องของ BitTorrent ตเนี่ยจะทันยังไงผมว่าทุกคนหลดยังกับใจยิ่งเร็วยิ่งโหลดเดยอะ เรื่องนี้่าจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่เราจะนาเข้าไปคุยกับทางไอซต่อไปด้วยนะคะลากที่เราได้ฟังสัมมนาที่กรวันนี้เข้าใจว่าตอนนี้เขาเลิกแล้วนะคะก็ไม่จะขอรับเป็นช่องทางที่จะไปคุยกันแล้วกันนะคะข้อบัญรเรก็มันก็จะเป็นอะไรที่มันจะใหญ่มากที่ทให้คนสามารถจะดาวน์โหลดได้เยอะๆนะคะขอรับไปแล้วกันนะคะเพราะอันนี้จะไม่จะไม่เฉพาะแค่กรมทรัพยินทา แต่หมายถึงว่ามันจะโ ย, ยนหายซีีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เว็บมีปัญหาเราจะปิดเว็บได้ไหมกักล็อกกั้นได้ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าดูแต่ต้องที่จะบอกว่านักแต่งเพลงเท่าไหร่ท่นอย่าเสียใจตอนนี้ทำนองเพลงของไทยบางที่นิยมนะค ะ, ะเพลงเพื่อน บ, บ้านเราไปเอาเนื้อเราสักเนื้อใส่หมดเลยไม่ได้ขออนุญาตสิทธิ์ี่เมืองไทยสักคนหนึ่งนะคะที่ฉันทราบมาฉันก็เลยไปทำเพลงอุยมประเพื่อน บ, บ้านนี่แหละค่ะทีไปตามเก็บสิทธิ์ให้ท่านต่อไปค่ะ ผมตอบปัญหาแลครับมาถึงบทสรุปวนี้จริงๆที่ปอนบอกจะถามแต่จบลงพี่ปอนไม่ถามละนะาม่ถามละนะพบเขาสรุปวันีเลยนะฮะวันนี้ผมมิดรวัตถุสุดเนี่ยชัดเจนมากจริงๆชัดเจนตั้งรอบสองนะฮะว่าชัดเจนว่าผมจะขอถือวิสาสะบอกเลยนะครับว่าท่านอธิบดีดีๆจะตั้งโตะให้เราพูดจันทร์ ะะแล้วตกลงนะครับนะฮะจับนี้นะฮะจากการพูดจาการนี้ผมคิดว่าตรงนั้น่าจจะจุดที่จะเริ่มต้นในการพักาาการแน่เพราะว่าต่างคนต่างมีอะไรอยู่ในมือและต่ า, นนางผลิติัณ์ก็ต้องเสนอที่จะช่วยสึกาตลาดฮะเพราะว่าที่สุดแล้วน ะ, ะเราอยากหนหน่งนะครับงั้นเงื่อนไขนี้คือผมได้รับคาตอบวับจากทุกทุกคนฮะผมจะได้มีความร่วมมือจากทุกทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่บทีหรือ น, นอกเว้ก็แล้วน ะ, นะว่าจะร่วมมือกัน และขอปริญญาตวงการปริญญาใหม่จริงครับแม่ผมจะออกมาจากวงการตรีหลายปีเลยนะครับแส่หัวใจนะในนามในนั้นในนามของหลักสูตรนะฮะิเทศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการบริหารธุรกิจนะฮะ ในเรื่องของการสร้างสารรค์งาสาระและคุณภาพครับนะขอขอบคุณอาจารย์เฮนตโดยการตอบนะครับจะขอบบ้านที่เปิดโอกาสให้เราเกิดเหตุกา์นี้นะขอขอบคุณท่ณณญญานทุกท่าน